วันนี้มีแต่พวกหัวกทิเนี่ยมีแต่ดำขาวเท่านั้นเลยพวกหัวกะทิต <c oughs> ังเทจนหูฉีก อ, อันนี้อันนี้จะมาปฏิบัติให้เท้าฉีกมั้งเดินจงกรมให้เท้าแตกมั นั่งสมาธิให้ก้นด้านเลยต้องปฏิบัตินะเรียนอย่างเดียวศึกษาอย่างเดียวมันก็ยังไม่พอมันก็เพียงแต่จะรู้ว่าควรจะทำอะไรเมื่อรู้แล้วก็ต้องทำถึงจะได้ผล ก็คือความสบายใจความอิ่มเอิบใจความพอใจความสุขใจไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีทุกอย่างทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ต้องมีต่อไปมันก็ไม่มีอยู่ดีต่อไปทุกอย่างที่มีก็ต้องหมดแต่ถ้าใจยังไม่ ยังไม่พอก็ยังต้องกลับมาหาใหม่กลับมาหาได้เท่าไหร่ก็ต้องหมดไปเท่านั้นเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เท่งแท้แน่นอนที่ถาวรได้มากได้น้อยเดี๋ยวก็หมดไปตาบใดถ้าใจยังไม่พอใจยังไม่อิ่มใจก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พออยู่ดี หากันมาไม่รู้กี่ล้านชาตินล้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันไม่รู้กี่ล้านครั้งแพอหาผิดที่ไม่หาสิ่งที่ทำให้ใจพอไปหาสิ่งที่ทำให้ใจอยากเพิ่มขึ้นหิวมากขึ้นต้องการมากขึ้นสิ่งที่ให้ ความอิ่มความพออาไม่เป็นกันหาเป็นแต่สิ่งที่ทำให้หิวให้อยากได้แล้วก็อยากได้อีก <c oughs> ต้องมาอาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระองค์แรกที่ทรงคนพบวิธี หาความอิ่มให้กับใจหาความพอให้กับใจ <c oughs> ซึ่งก็เป็นวิธีง่ายแสนง่ายก็คือหยุดความอยากเท่านั้นเองความอยากทําให้ไม่พอพอไม่มีความอยากพอพอความพอมันก็เกิดขึ้นมันไม่ยากเลยแค่นี้เองเนี่ยที่ตัดสัรู้ตัดสรู้ตรงนี้เอง อธิบายว่าความอิ่มความพอเกิดจากความหยุดความอยากพอไม่มีความอยากแล้วความอิ่มความพอมันก็เกิดขึ้นอยากหาเงินเยอะๆลองเอาเงินที่มีอยู่นี้ไปทำบุญให้หมดเด้แล้วมันก็จะไม่อยากหาหามาแล้วก็ไปทำบุญมันก็เลยไม่รู้จะหามาทำไม การเอาเงินไปทำบุญนี่ทำให้มันหยุดความอยากได้เงินถ้าเอาเงินไปซื้อของมันก็อยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆซื้อท่าหล่ก็ไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปทำบุญนี่มันก็จะเกิดความอิ่มใจขึ้นมาหยุดการใช้เงินซื้อของต่างๆได้วิธีที่จะใช้เงินให้ถูกต้องก็คือ เอาเงินไปทำบุญเอาเงินไปให้ผู้อื่นอยากให้ตัวเราให้เราเท่าไหร่ไม่พอไมได้ร้อยก็อยากจะได้พันได้พันก็อยากจะได้หมื่นแต่ถ้ า, าไปให้คนอื่นนั่นมันไม่อยากจะได้แล้วให้แล้วก็ได้มาแล้วก็ต้องไปให้คนอื่นเอามาทำไมเราไม่ต้องหากัน วิธีทำความพอให้เกิดขึ้นกับใจถ้าใช้เงินก็ต้องใช้เงินให้ถูกวิธีถ้าใช้เงินไปทำตามความอยากมันจะทำให้ไม่พอตะ ว, วันนี้ที่เงินไม่พอใช้กันเพราะอะไรพออยากจะใช้มากขึ้นไปเรื่อยๆทำไมเด็กๆนี่มีโรงเรียนมีเงินไปโรงเรียนเมื่หร่กี่ตังค์ทำไมอยู่ได้ พอแม่ให้เงินไปซื้อขนมกิ๊ซื้อข้าวกลางวันกินวันละห้าสิบบาทร้อยบาทก็อยู่ได้ละเดี๋ยวนี้วันละห้าสิบบาทร้อยบาทอยู่ได้ไหมมันก็ปากเดียวท้องเดียวเหมือนเดิมทำไมต้องไใช้อะไรมากมายมันก็มีของไม่จาเป็นให้ใช้อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีใช้ไปซื้อได้เท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ก็ ก็อยากจะใช้ไปเรื่อยๆ ง, งั้นอย่าใช้เงินตามความอยากใช้เงินเพื่อให้เกิดความไม่อยากวิธีที่เกิดความไม่ไม่อยากก็คือเวลาจะเวลาอยากจะได้อะไรก็เอาเงินไปให้คนอื่นแทนไปทําบุญแทนก็จะหยุดความอยากที่จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เนี่ย <c oughs> yeah. อัวเช่น ทางด้านหลังจะเดียวกว่านะโย่อ่าเึ้นทางด้านหลังดีกว่านะอ <c oughs> ทางนี้มันเต็มแล้วทางนู้นมันเต็มแล้วย <c oughs> ังทางน้นนังว่างไม่ไม่ขึ้นนะ <c oughs> จะมาขึ้นับ ต้องการถวายก็ก็มาถวายได้ฟนะัอนนองอยู่ในกล่งดเนี่นออย ด้วยคุณ น, นุชแล้วก็คุณ น, นุ้งเมืองอะค่ะวนนี้มันเกิดคุณแม่ของคุณต้อยกิาคุณนุชจรินนะค่ะคุณนุชรินใช่ค่ะคุณนุชรินเมื่อกี้ก็ชวนมาตั้งตรงนั้นถูก่ะวางไว้ได้แล้วถือวัฒนา มีหนังสือซีดีแจกนะถ้าต้องการหนังสือซีดีก็รับไปได้มามาเช่าเย็นกลับเลยเรื่อมาค้างค่ะมาแล้วแต่มื่วันค่ะอยู่อำเภอเมืองเรว่อ่คุณแม่อยู่อำเภอเมืองค่ะผมอยู่อำเภอด่านช้าง สมไมเด็กๆอานะมะก็เคยอยู่ที่อำเภอเมืองไปร้านบนัทนใช่ไหมคะอ่าร้านบีนัทอยู่ในตลาดเมื่อก่อนอยู่ในตลาดตลาดเทศบาลใกล้ท่าเรือสมัยนั้นมากรุงเทพต้องนั่งเรือมานั่งเรือเย็นมีเรือบ่ายสามโมงกับเรือหกโมงเย็นบ่ายสามโมงก็มาขึ้นที่ท่าเตียนหกโมงเย็นก็ไปขึ้นที่นิวรไลที่ แล้วต่อรถไฟเข้าเข้ากรุงเทพทำไมก่อนไม่มีรถไฟต้องนั่งเรือสมัยนั้นปศประมาณสัก 2,500 นะั่ง 2,990 กว่าเพราะเราเกิด90แล้วก็ไปอยู่สุพรรณประมาณ92ถึงถึงประมาณ 2,500 mm. อยู่92ถึง 2,500 อยู่สุพรรณบุรีสมัยนั้นจำได้เป็นสมัยที่มีทีวีออกมาใหม่ๆ mm. จะดูทีวีไปดูที่ร้านร้านขายทีวีเขาจะเปิดให้คนดูดูฟรีขาวดำทีวีขาวดำแล้วก็มีไม่กี่ชั่วโมงสมัยก่อนมีตอนกัางคืน <c oughs> แค่ภาพตอนกังคืนสองสามชั่วโมง <c oughs> อยู่ที่นั่นประมาณแปดเก้าปี mm hmm. พออยู่ถึงจบปสามก็ย้ายเข้ากรุงเทพมาเรียนอยู่ที่กรุงเทพ mm hmm. อยู่ที่สุพรรณก็เรียนปหนึ่งสองครั้ง mm hmm. ครั้งแรกเรียนโรงเรียนประชาบาล mm hmm. แล้วพอจะขึ้นปสองย่าก็เป็นคนจีนเขาอยากให้เรียนโรงเรียนจีนโรงเรียน อยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลอยู่ตรงใกล้ๆเทศาบาลโรงเรียนนั้นก็เป็นโรงเรียนจีนก็เลยต้องไปเริ่มปอ .1 ใ ห, หม่พต้องไปเรียนภาษาจีนใหม่ก็เรียนอยู่โรงเรียนจีนถึงปอ .3 แล้วพ่อก็อยากจะให้มาเรียนโรงเรียนฝรั่งก็เลยมาเรียนโรงเรียนฝรั่งที่กรุงเทพก็เริ่มปอ .1 ใ ห, หม่เราเรียนป .1 สามครั้ง ตอนนี้ตอนที่มาเรียนป .1 มันควรจะอยู่ที่ป .5 แล้วปที่มาเรียนโรงเรียนฝลังเนี่ยแต่ไม่รู้ A, อบีซก็เลยต้องเริ่มต้นที่ป .1 ใหม่แต่ก็ดีที่เขาให้ข้ามชั้นได้จากป .1 ก็ขึ้นป .3 ป .3 ก็ให้ขึ้นป .6 เลยแล้วก็กบป .6 ก็เจ็ดแปดเก้า พอสิบก็ให้ข้ามสิบเ็ดไปสิบสองก็เด้เรียนสิบสองชั้นในเวลาแปดปีก็พอดีทันจบประมาณอายุประมาณสิบแปดมั 10, ้งสิบสิบเจ็ดสิบจบปีสอง0ันห้าร้อยเท่าไหร่นะสอง0 8ห้าร้อยแปดมั้งหรือเก้าเก้าออลงมาห้าร้อยเก้า อายุย่างสิบเก้าปีจบครบสิบปดปี้วก็มาต่อ <c oughs> หยุดหยุดแล้วก็ทำงานอยู่ปีหนึ่งก่อนหางเงินแล้วก็ไปเรียนต่อที่เมืองนอกหางเงินเองนะทำงานอยู่ปี เ, เก็บได้ประมาณสักษามหมื่นบาทอันนั้นทำงานกับบริษัทฝรั่งเขามาสร้างสนามบินอูต่ตะเภา แล้วพอดีเราได้ภาษาก็เลยไปเป็นล่ามเขาจ่ายเป็นชั่วโมงชั่วโมงละแปดบาทห้าสิบไร่เนี่ยต่อชั่วโมงวันทำสิบชั่วโมงก็ได้วันละเกือวันละแปดสิบกว่าเกือบร้อยเพราะเขาให้บิลเลงค่าอาหารอีกสิบห้าบาทแล้วไอ้ที่เกินแปดชั่วโมงก็ให้ให้หนึ่งเท่าครึ่งก็เท่ากับทำสิบเอ็ดชั่วโมงอ แล้วก็กเลี้ยงก็ตกปันประมาณร้อยหนึง่งสมัยนั้นคนทำงานจบปริญญาตีได้เงินพันกว่าบาทนะถ้าไปรับราชการก็ได้พันกว่าบาทแต่นี่ทางานบริษัท <c oughs> รับเหมาก่อสร้างของฝรั่งอยู่ที่อุตเผานี้ก็ <c oughs> ทำอยู่ประมาณปีเศษปีวกว่าก็ขยันทำงานอย่างเดียวไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรเลย บางทีทำเจ็ดวันเพราะวันที่เจ็ดนี้เขาให้สองเท่าเราทําวันที่เจ็ดนี่ให้สองเท่าก็เลยทําเก็บเงนินเก็บเงนินเพราะอยากจะไปเรียนหนังสือต่อพ่อแม่เขาก็ไม่ได้คิดที่จะส่งเราก็เลยต้องเราก็เลยต้องส่งเองหาเองหาโรงเรียนเองไปเปิดหนังสือที่ห้องสมุดของยูซิสเนี่ยห้องห้องสมุดของ <c oughs> ของสหรัฐอเมริกนพอมีโรงเรียนสมบดของหนังสือโรงเรียนต่างๆหลายชื่อโรงเรียนต่างๆเราก็เลือกเอาเมืองที่เราชอบไห้เมืองนี้ชื่อดีก็เอาชอบรัฐนี้ก็ไปรัฐนี้ <c oughs> <c oughs> เราสำหรับไปสามสี่แห่งก็ได้รับอยู่สองแห่งสองสามแห่งก็เลยเลือกไปที่เมืองเฟรโน่ก็เรียนโรงเรียนเขาเรียกจูเนียร์คอร์ลเลจ ก, กัเพราะว่ามัน เหรับส่ำไม่ต้องสูงมากสองจุดก็ได้เนเราก็เรียนไม่ค่อยเก่งก็ปานกลางแล้วมันถูกการเราเรียนถูกสมัยนั้นหน่วยกิจลห้าเหรียญห้าเหรียญสมัยนั้นเรียนละยี่สิบาทก็ประมาณร้อยถ้าเรียนสิบห้าหน่วยกิจเทอมหนึ่งก็แค่เจ็ดสิบห้าเหรียญก็ดีก็ ก็มีเงินที่ทําเนี่ยจ่ายค่าตั๋วระบินแล้วก็มีเงินก็ไปจ่ายค่าะเรียนเรียนเรียนได้อย่างนั้นก็ปีนึงก็คิดว่าไปแล้วอาจจะต้องไปหางานทําต่อคือไม่เคยคิดขอขอเงินทางบ้านนะไม่ได้ขอพ่อขอแม่บอกช่วยส่งอะไรไปเองแต่บอกว่าจะไปแล้วนะ <c oughs> ติดต่อโรงเรียนได้แล้วได้โรงเรียนแล้วซื้อตั๋วแล้วอทางบ้านเขาก็เมตตาเขาก็ส่งไปให้ เป็นเดือนเดือนปะนั้นก็ส่งไปให้เดือนละสามพัน้วสายเราทำงานช่วงปิดเทอมช่วงระยะปีสองปีแรกไม่ได้ทำงานระหว่างเรียนทำแต่ช่วงปิดเทอมก็พอพออยู่ได้ต่อมามันมีความจำเป็นต้องซื้อรถเพราะมันไปไหนมาไหนมันไม่สะดวกก็เลยต้องมีค่าผ่อนรถก็เลยต้องทำงาน ทำงานประมาณยี่สิบชั่วโมงต่ออาทิตย์ก็ทําช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยสุกเสาร์อาทิตย์สามสุกเย็นก็ไปทําละทําตอนเย็นเลิกตีหนึ่งทำหน้าอาหารแล้วก็เสาร์ก็เหมือนกันอาทิตย์ก็เหมือนกันทำสามวัน <c oughs> ช่วงเวลาเรียนก็เลยต้องรีบทําการบ้านเรียนเสร็จก็อยู่ที่ห้องสมุดเนี่ยอยู่ที่มหาลัยทําการบ้านให้เสร็จไม่ได้กลับบ้านทํา ทบ้านบรรยากาศมันไม่ดีเพราะอยู่กันหลายคนแค่กันอยู่บ้านเก่าแต่มันราคาถูกเพรนั้นจาได้ค่าเช่าบ้านไม่กี่ตังแค่ยี่สิบห้าเหรียญแต่บ้านมันเก่านะก็อยู่ได้อยู่กันสามสี่คนก็สนุกดีย่ไม่ได้ถือว่ามันเป็นอะไร หรือว่าเป็นประสบะการณ์ของชีวิตเรียนก็เรียนไปสบายๆก็ไม่เครียดทํางานก็ไม่เครียดแต่ก็ไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีอะไรนี่มันหมุนอยู่กับการเรียนกับการทํางาน <c oughs> เรียนจบก็เลยกลับบ้านไม่เคยคิดที่จะอยู่ที่นั่นเพราะรู้สึกว่าชีวิตที่นั่นมันค่อนข้างที่จะ ตั้งมา่งเปล่าเปลี่ยวมันไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับใคร <c oughs> ทุกคนที่นั่นก็ต่างคนต่างอยู่กันก็ <c oughs> ก่อนจะกลับบ้านก็แวะเที่ยวสักเดือนสองเดือนเดือนกว่าที่ยุโรปไปเที่ยวสปายเป้ไปไปประมาณสักเจ็ดแปดประเทศนั่งรถไฟ เแล้วก็กลับมาก็หางานทางานวิศวะก็หายากก็เลยไปเป็นผู้จัด ก, การร้านไอติมแทนตรงนั้นก็เลยได้อ่านหนังสือธรรมะก็เลยลองนั่งสมาธิดูก็เห็นว่ามีความสุขดีแล้วก็เห็นว่าถ้าทำงานมันก็จะขาดกันสวนกัน เวลาทำงานต้องใช้ความคิดได้ความเครียดเพ่งเครียดต่อการทำงานเวลานั่งสมาธิเหมือนก็ยากงั้นก็เลยคิดว่าจะลองนั่งสมาธิดูสักปีหนึ่งเองทำงานได้สี่ห้าเดือนก็มีเงินอยู่ห้าหกพันก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้ปีหนึ่งแล้วรือบ้านก็ไม่ต้องเสียค่าเช่า ถ้าจะเสียก็เสียแต่ค่าอาหารถ้าเรากินวันละมื้อก็ไม่กี่ตังค์ไม่เกินสิบบาทก็อยู่ได้สมนะั้นข้าวจานละสามบาทก๋วยเตี๋ยวชามละสองบาทเนี่ยกินมื้อเดียวก็ห้าหกบาทถ้ามีอยู่ห้าหกพันก็เลนราออกจากงานเราจะลองจะเวลามาปฏิบัติ ด, ดูยก็อยู่ที่บ้านอยู่คนเดียว ที่บ้านมีหลายมีสองบ้านเราก็เลยบ้านที่เขาไม่มีใครอยู่เราก็เลยอยู่คนเดียวก็เหมือนเปิกวิเวกอยู่ก็มีเดินจงกรมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะสลับกันไปก็เพิดเพลินดีมีความสุขดีทุกบ้างสุขบ้างสุขเวลาจิตสงบทุกเวลาจิตเกิดความอยากขึ้นมา เวลาเกิดเวลาเพรกสติปล่อยให้ใจไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสก็อยากอยากก็เจิดอาการเศร้าสร้อยงอเหงาว้าเวขึ้นมพอได้สติก็รีบนั่งสมาธิหยุดคิดพอหยุดคิดได้มันก็หายแต่บางทีก็เพอสู้ไม่ไหวกอ็อยากจะไปเที่ยวกบไปบ้างออกไปข้างนอก ก็ไม่ได้ไปทำอะไรไปเดินเดินไปชายตะลงชายทะเลบ้านอยู่ใกล้ทะเลก็ทำอยู่ได้ปีหนึ่งก็เห็นว่าเออถ้าจะบวชได้น่าจะบวชได้เพราะเราก็พอที่จะควบคุมใจไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจะบวกลิ้นกายได้ยังก็บวชได้ เพราะเป็นพระก็ไม่สามารถที่จะไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายได้ก็เลยอดสิ้นใจบวชตอนต้นก็ไม่อยากจะบวชเพราะว่ามันก็มีกิเลสคือไม่อยากจะไปอยู่ในกรงพูดง่ายๆบวชมันก็ถุกเหมือนกับถูกจับขังอยู่ในกรงจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ แต่มันก็ถูกบังคับพ้องเงินหมดเงินหมดถ้าไม่บวชก็ต้องกลับไปทำงานหาเงินถ้ากลับไปทำงานหาเงินก็จะไม่มีเวลามานั่งมาปฏิบัติจากปฏิบัติก็เลยต้องบวชบวชก็เลยได้ได้ไปบวชแล้วได้ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติก็ก็เลยปฏิบัติได้เรื่อย ย้อนไปเรื่อยๆคืบหน้าไปเรื่อยๆก็เหมือนกับไปเรียนต่อไปทำปริญญาเอกเดยปริญญาตีทางวิศวะแล้วก็มาต่อทางจิตศาสตร์จิตเวชพุทธศาสนาก็สอนเรื่องจิตเวชจิตศาสตร์สอนวิธีรักษาจิตใจให้ใจสงบให้ใจมีความสุขให้ใจไม่มีความทุกข์ พอเรียนจบวิชานี้ก็สบายหมดปัญหาไม่มีปัญหากับใครไม่มีเรื่องมีราวไม่มีความต้องการอะไรพอไม่มีความต้องการอะไรแล้วมันก็จบปัญหาของพวกเราก็คือยังมีความต้องการอยู่อย่างน้อยก็ต้องการให้อยู่อย่างสบายใช่ไหมร่างกายก็ต้องอยู่อย่างสุขสบายมีาหารการกินมีอะไรทุกอย่าง ครบริบูรณพอมีแล้วก็ไม่พออยู่ดีแล้วกินดีแล้วที่ก็ต้องเที่ยวดีด้วยต้องมีที่เที่ยวที่เล่นต้องมีแฟนมีอะไรมันก็มีไปเรื่อยๆอยากไปเรื่อยๆถ้าไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่หยุดความอยากมันก็จะแผ่ขยายไป ตอนต้นก็ขออยู่ดีกินดีพออยู่ดีกินดีแล้วต่อไปก็ขอให้ร่ำไม่รวยจะได้มีเงินใช้จ่ายซื้ออะไรต่างๆได้อยากจะเที่ยวก็เที่ย ว, ยวได้อยากจะซื้อข้าวของอะไรต่างๆก็ซื้อได้ซื้อรถเก๋งซื้ออะไรต่างๆก็ต้องมีเงินทองก็อยากจะรวยพอรวยแล้วซื้อทุกอย่างหมดแล้วที่นี่ก็อยากจะมีเกียรติมีหน้ามีตา ก็ไปทำแล้วแต่จะเอาเกียรติแบบไหนบางคนก็ไปเล่นการเมือง <c oughs> ไปเป็นสอสอไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นนายกบางคนก็ไปทำกุศลสาวทารกุศลก็ไปรับเป็นคุณหญิงคุณนาย <c oughs> เป็นอะไรไปมีหน้า ม, มีตา ม, มีเกียรติพอมีเหลัานี้แล้ว ก็อยากจะมีไปเรื่อยๆอยากจะมีอายุยาวนานพอมีอายุยาวนานแล้วพอจะต้องตายก็ขอให้ไปสวรรค์ต่ อ, ออย่างเงี้ยแล้วพอได้ไปสวรรค์ก็อยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาหาใหม่ นี่ก็คือวัตจาจักรของความอยากมันจะพาให้เราวนอยู่อย่างนี้เกิดมาก็อยากจะอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินดีแล้วก็อยากร่ำอยากรวยรวยแล้วก็อยากจะมีเกียรติมีหน้ามีตามีแล้วก็อยากจะอยู่ไปนานๆพอจะตายก็ขอให้ไปสวรรค์พอกลับมาจากสวรรค์ก็มาเกิดใหม่ก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ ไม่มีวันสิ้นสุดถ้ามันเป็นไปตามอยากก็ดีไปถ้ามันไม่ได้เป็นความอยากก็สวยไปจะเกิดมาแล้วไม่ได้อยู่ดีกินดีเห็นคนที่เขายากจนคนที่อยู่ในสลัมคนที่หาเช้ากินขําเขาก็ไม่อยากจะอยู่แบบนั้นแต่ทำไมก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีอะไรแน่นอน ในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนมันมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างบุญกรรมก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ภาวะสิ่งแวดล้อมจังหวะที่เราไปเกิดไปอยู่ เ, เกิดไปเกิดในยุคที่เขามีสงครามก็เดือดร้อนเถ้าไปเกิดตอนอยู่ในซีเรียตอนนี้เป็นยังไงก็โดนลูกระเบิดทั้งนั้นะเรื่องเกิดไม่ได้ด้วยสิใช่ไหมอาจะไปเกิดว่าไปเกิดนิวยอร์กนะไปเกิดเอ ลอนดอนนี่ ม, นมันสั่งไม่ได้เดี๋ยวไปเกิดในซีเรียรไปเกิดในอิรักอิหร่านนี่ไปเกิดในแอฟริกาอางเงี้ยอันนี้คือภัยของการที่ที่มีความต้องการมีความอยากบางจังหวะบางช่วงก็ได้เกิดที่ดีก็ดีไป บางชาติก็ไปเกิดที่ไม่ดีก็ทุกทรมานไปเป็น <c oughs> <c oughs> ยังไงอยากจะกลับไปเหรอกลับจะให้พรเนาะจะได้กลับไปรับพรก่อน <c oughs> <c oughs> อะอยะท้าวาเลวะฮาปุราปะลิกปุเรนติสากาลัง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 มาเตผวะตะวันตาาโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาธนศีลิษะนิจจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวัฏฐานติอายุวมนุสุขังภาลาง อ่าก็อยู่ไปนานๆนะมีสุขภาพแข็งแรงอ่าอ่าได้มาประกาศหน้ามาใหม่เนคุณชเหมือนกันปติงานอ่าเขาก็มาอยู่เป็นประจำอยู่แล้วใช่เห็นว่ามาทุกวันสาร์าเสาร์ก็มาถ่าลงส่งไไปให้ดูทุกวันเสาร์แล้วอ่า เป็นปัญหาของพวกเราก็อยู่ที่ความอยากนี่แหละความอยากมันทําให้เราไม่พอแล้วความอยากนี้หายไปได้ถ้าเรารู้จักวิธีทําให้มันหายพอไม่มีความอยากแล้วความอิ่มความพอมันก็จะเกิดขึ้นเองเราก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคนคนเดียวเนี่ยเป็นเหมือน เป็นเหมือนเป็ดเนี่ยพอทำใจสงบกลายเป็นเหมือ น, น, น, น, นเทวดาขึ้นมาอิ่มใจสุขใจสบายใจไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรอยู่ที่ใจเราเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงไห น, นอยู่ที่ความอยากกับความไม่อยากตอนนี้ความอยากมันมีอำนาจมากเราสู้มันไม่ไหวเราเลยต้องเป็นทาสของมันมันสั่งให้เราไปทําอะไรเราก็ต้องไปทํา พอไม่ทำแล้วมันจะแทงฤทธิ์จะสร้างความเครียดสร้างความอึดอัดสร้างความอหงุดหงิดลาคาญใจต่างๆความรู้สึกไม่ดีต่างๆเกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นแะพอได้ทำตามความอยากหายเลยพอได้ไปเที่ยวเนะี่ยหายเลยแต่หายเดียวเดี๋ยวพอกลับมาบ้านอยู่ได้ไม่นานเอาอยากอีกแล้ว เครียดอีกแล้วหงุดหงิอีกแล้วอก็ห <c oughs> ลงไปแต่ทีีท่านเนี่ยชีวิตของคนเราแก้ตรงนี้แหละแก้ตรงความอยากวิธีแก้ก็คือเนี่ยถ้าใช้เงินแก้ความอยากก็หยุดใช้เงินแก้ความอยากเอาเงินไปทําบุญแทนแล้วจะทําให้ความอยากใช้เงินมันจะจะหายไป แต่มันก็ยังอยากอยู่ก็ต้องหยุดต้องหยุดต้องทำสมาธิใช้สติระงับความคิดระงับความคิดมันทำให้เกิดความอยากถ้าไม่คิดมันก็ไม่อยากพอคิดถึงขนมก็อยากกินคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากไปแย่เมื่อกี้พูดถึงลอนดอนใจคนั้งคนอาจจะอยากไปแล้วก็ได้พูดถึงลอนดอนนิวยอร์ก นิวยอร์กนิวยอร์กพอคิดถึงปั๊ความอยากมันก็จะหลได้ตามท่านถึงสอนให้คิดถึงความตายมันจะได้ไม่อยากเข้าใจไหมพอคิดถึงความตายออ้มันรู้จะไปไหนเลยอยให้คิดถึงความตายบ่อยๆวิธีแก้ความอยากพอคิดว่าต้องตายก็ไม่รู้จะไปไหนไปเดี๋ยวก็ตาย <c oughs> ต้องหยุดความอยากแล้วก็คิดไปในทางที่ทำให้ไม่อยากคิดว่าไปแล้วมันทุกเนี่ยอย่าไปแต่ละครั้งนี่ต้องไปเตรียมข้าวเตรียมของยอยู่เฉยๆอันนี้สบายพออย่าไปเมืองนอกทะทีเนี่ยโอ้ยต้องเตรียมตัว๋วตีตั๋วแล้วบินจองที่พักดูวีซา่าดูพาสปอร์ต อดี๋ยนี้เขยังให้ฉีดยาอยู่หรือเปล่าต้องฉีดใช่ไหมเวลาไปต่างประเทศไม่ไม่ต้องฉีดแล้วเลยทำให้ก่อนต้องฉีดยากันโรคต่างๆตอน๋วนี้ประเทศไทยอยู่ในระดับที่ไม่ต้องไม่ต้องฉีดยาแล้วนะไม่มีโรคระบาดนั้นนะแต่ามาื่อก่อนเขากลัวเราจะเอาโรคไปแพร่ที่บ้านเขาก็าให้เราฉีดไม่ก่อนไปแล้วก็ สนุกเดียเด๋ยวเดียวเดี๋ยวก็กลับมาบ้านเหมือนเดิมด เ, เงินหมดก็ต้อง ม, มาหาเงินใหม่ทำงาเหนื่อยก็มาหางเงินอีกพอมีเงินแล้วก็ระวันขึ้นใหม่กัน อ, อ่นบบอานั่นเลยใหม่ๆทีงบอกให้เอาเงินไปทําบุญถ้าจะได้ไม่มีเงินไปเที่ยวไม่เงินไม่มีเงินไปซื้อของที่ไม่จําเป็นเน<ม>ี่ยการทํา ท, ทานก็มีหน้าที่อย่างเงี้ยทําเพื่อให้เราได้ลด ความอยากใช้เงินกับการทำตามความอยากต่างๆแล้วการทำบุญก็ทำให้ใจเราอิ่มด้วยทำให้ใจมีความสุขมีความอิ่มแล้วก็ไม่ค่อยอยากคิดอยากจะได้เงินได้มาแล้วก็ไปทำบุญอยู่ ด, ยดีก็ได้ก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อน ไม่ได้ถือว่าเป็นงานหลักแล้วงานหาเงินไม่ใช่เป็นงานหลักงานหากินยังเป็นงานหลักอยู่ถ้าหาเงินก็เพื่อหากินนะั้นกินก็ไม่มากร่างกายวันมันจะกินสกิลสตางกันไปในในเงินเดือนเงินที่เราใช้กันเนี้ยใช้สําหรับการกินอยู่นี่มันไม่สกิลตังหรอกมันใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะ ม, มากกว่า เป็นเหมซื้อยาเสพติดนะซื้อน้ำหอมกับซื้อยาเสพติดนะกลิ่นหอมนะซื้ออะไรต่างๆซื้อรูปภาพรูปภาพรูปละสามล้านเหรียญสามสิบล้านเหรียญเนี่ยรูปภาพเนี่ยก็ซื้อรูปนะเห็นก็ซื้อกันไหมเขาประมูลรูปภาพกันีร้อยล้านเหรียญก็มีรูปภาพ แล้วดูก็ไม่น่าดูเลยภาพอะไรก็ไม่รู้แต่เข้าว่าสวยมีราคาก็เลยซื้อกันเป็นไปตามความนิยมอันนี้ล่ละความหลงความอยากซือมาแล้วก็เท่านั้นเลไนะ ม, ไมีไม่ได้ทำให้อิ่มให้พอ อยากจะซื้ออีกวิธีที่จะหยุดอยากจะซื้อทุกครั้งอยากจะซื้อก็เอาเงินที่จะซื้อไปให้คนอื่นหรือซื้อแล้วก็ยกให้คนอื่นไปอยากจะซื้อรถซื้อมาแล้วก็ให้คนอื่นเขาไปเลยว่าให้โรงพยาบาลให้โรงเรียนเขาไปต่อไปอยากไม่อยากจะซื้อรถซื้อที่ไหนก็ต้องเอาไปให้คนอื่นเขซื้อทำไมเนี่ยวิธีดัดความอยาก ถ้าอยากจะซื้ออะไรเอา้าซื้อมาเลยซื้อแล้วเนี่อยากเก็บไว้ให้กับตัวเองเนี่ยก็อยากจะซื้อกระเป๋าอีกใะซื้อมาเลยซือแล้วก็เอาไปให้คนอื่น <c oughs> นี่คือทานไงทานเป็นวิธีแก้ความอยากการใช้เงินในทางที่ไม่ถูกต้องใช้เงินตามความอยากต่างๆใช้กับใช้กับสิ่งที่ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ ให้ออกมาทำทานเสียแล้วต่อไปมันก็จะเลิกเลิกใช้ใช้เงินแบบนี้ได้แล้วมันก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินมาถ้าซื้อตามความอยากพอได้มาแล้วหมดแล้วก็ต้องไปหาเงินมาใหม่หาพอได้มาแล้วก็ไปซื้ออีกมันก็วนอยู่ในวัฏจักรหากับหากัใช้อยู่อย่างนี้หาแล้วก็ซื้อซื้อแล้วก็หามาอยู่ แล้วถ้าเกิดสะดุดก็ทุกข์ละหาเงินไม่ได้ก็ทุกข์ละยังถ้าเราหยุดหยุดหยุดซื้อหยุดใช้เงินแบบนี้ได้เราก็ไม่ต้องหาเงินหาก็หาไม่มากถ้าหาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่มันไม่มากนะเราจะสบายจะได้มีเวลามานั่งสมาธิ ระหยุดความอยากที่ยังยังอยู่ในใจอยู่ความอยากที่ไม่เกี่ยวกับการใช้เงินใช้ทองแต่ก็ยังอยากอยู่อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้อ ย, นนอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่มันก็ทําให้เราหอุจจตรมขานใจได้อยู่เหมือนกันนะ เนี่ยมาเป๊กวิเวกันเนี่ยก็เพื่อมาหยุดความอยากมานั่งสมาธิกันเงินที่จะไปซื้อของก็ามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายที่อยู่ที่ภาคตะไคร้พ่อทำใจให้สงบแล้วก็ความอยากหายไป ความอิ่มความสุขก็เกิดขึ้นเมืองต้นก็เป็นความอิ่มความสุขชั่วคราวเพราะกำลังของสติที่จะหยุดความอยากนี่มันมีไม่มากพอหยุดได้พักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็เด้งออกมาความอยากมันก็ดันออกมาดันให้ไปหาลูปเสียงกลิ่นรสหาสิ่งต่างๆตอนนั้นก็ต้องมาใช้หัดใช้ปัญญาเพราะอยาไปไปแล้วเป็นทุกข์ ต่แล้วจะต้องไปหามันอยู่เรื่อยๆถ้าฝืนมันได้ต่อไปความอยากก็จะหมดกำลังไปคนอยากจะสูบบุหรีน่นี่ถ้าฝืนไปเรื่อยๆทุกครั้งที่อยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบเนี่ยต่อไปความอยากสูบบุหรี่มันก็หายไปแต่ต้องเห็นด้วยว่าการการไม่สูบบุหรี่นี่มันมันเป็นประโยชน์มันเป็นคุณมัน การสูบนี่เป็นโทษเพราะทให้เราติดติดแล้วต้องสูบอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้สูบแล้วมันก็จะทุกข์ทุกอย่างเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหะการทำตามความอยากนี่ถ้าทำแล้วมันจะติด ม, ตมันต้องอยากอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกข์ต้องเห็นตรงนี้มันถึงจะฝืนความอยากได้ต้องเห็นโทษของความอยาก ว่าเป็นการนำไปสู่ความทุกข์ความสุขที่ได้จากความอยากมันเป็นความสุขปลอมมันทําให้เราหายหงุดเหงิดหายลาคาญใจเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่ทําตามความอยากแล้วความอยากสงบตัวลงแล้วก็หายหงุดเหงิดได้โดยที่ไม่ต้องไปทําตามความอยากอถ้าอยากให้มันหายเดียวก็ไปนั่งสมาธิต่อ นั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธต่อเดี๋ยวพอพอใจสงบความอยากก็หายไปใช้วิธีนี้แก้มันทุกครั้งที่อยากอะไรก็ไปนั่งสมาธิหรือไม่ต้องนั่งก็ได้พุโทโธพุโทโธอย่าให้มันไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากหยุดความคิดให้ได้เดี๋ยวมันก็หาย แล้วต่อไปความอยากมันก็จะเบาลงไปเบาลงไปแล้วต่อไปก็หายไม่มารบกวนเราอีกต่อไปไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีความหงุดหงิดไม่มีก็ความอึดอัดไม่มีความว้าเหวไม่มีความเศร้าสร้อยง้อยเหงาใจจะเบิกบานสดชื่นตลอดเวลาอิ่มสบายตลอดเวลา นี่แหละเป็นงานของพวกเราเป็นการหาความสุขที่ถูกต้องเป็นการหาความสุขที่แท้จริงความสุขที่พวกเราทุกวันหากันนี้มันเป็นการหาความทุกข์กันมีใครบ้างมีใครไม่ทุกข์บ้างคนที่หาลาบยศรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันมีใครบอกว่าข้าพเจ้าไม่ทุกข์ไหม ก็ต้องถูกกับลาบยุติเสรเสริญทูกกับรูกเสียงกลิ่นรสนั่นแหละเพราะมันไม่แน่นอนใช่ไหมมันดิ้นได้วันดีคืินดีมันก็หายไปเปลี่ยนไปพอหายไปก็ลำคาญแล้วสิปวดเจ็บขึ้นมาของเคยใช้เคยกินอยู่ทั้งวันพออยู่วันดีเกินดีไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้กินขึ้นมาลองดูซิเป็นยังไงเติ่ขึ้นมาจะชงกาแฟอ้าวกาแฟหมดะแล้วทําไงวะ เอไม่ต้องออกไปหากาแฟมาถ้าถ้ารู้มีเพื่อนบ้านอยู่ใกๆก็ขอยืมช่วยสองถ้วยกัน <c oughs> อย่างนี้นนมาอยู่มาอยู่วัดมาภาวนาเนี่ยถูกแล้วมาก้อยรู้ามาเพื่อมาหยุดความอยากมาต่อสู้กับความอยากมาทําลายความอยาก โดยทานคือเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี่มาทําบุญทําทานแทนแล้วต่อไปจะไม่ต้องเที่ยวความอยากเที่ยวมันจะหายไปเรื่องน้อยลงไปเที่ยวน้อยลงก็ใช้เงินน้อยก็หาเงินน้อยไม่ต้องหามากจะได้มีเวลามาอยู่วัดได้มากขึ้นทําใจให้สงบได้มากขึ้นแล้วต่อไปเดี๋ยวก็หมดความอยากก็หมด พระพุทธเจ้าพระอาหารหันตทั้งหลายท่านก็ทำแบบนี้ทั้งนั้นนะท่านทําทุกอย่างเพื่อต่อสู้กับความอยากหยุดความอยากพ อ, อกชนะความอยากได้แล้วก็สบายถ้าแพ้ความอยากก็ต้องเป็นทาสของเขาต่อเขาก็จะสั่งให้เราไปอยากต่อมีใครอยากจะถามอะไมไหมพูดคนเดียวมา พอและนานพอล้ค่ะอาารย์คะเรื่อที่เวลาที่เราอยากกินของที่ชอบหรือว่าเลือกของกินเนี่ยค่ะ อ, อาจารย์สอนหลายวิธีคราวนี้หรูลองไปทาดูวิธีที่ได้ผลคือคุกคุบอาหารนะคะอ่าก็ทําไปเซ็นวิธีไหนก็ได้แะไม่ต้องทําไปนานแค่ไหนทำจนกว่ามันหายอยากจนกวกาเห็นแล้วก็เฉยเฉยกินก็ได้ไม่กินก็ได้ถ้าตามใจยังอยากอ ย, กอยู่ก็อย่าไปกินมัน หรือทําลายมันไปคุกกับอาหารอย่างอื่นมันเหมือนบางทีมันโดนโดนโดนหอกกับว่าคิดว่าไม่อยากแล้วมันก็กลับไปแล้วมันก็อยากอถ้าอยากใหมก่ก็ก็อย่าไปกินมันใหม่ถ้ามันถ้ามีความอยากกินก็อย่าไปกินมันกินในท้องที่เราไม่อยาก <Okay. S 1> การกินนี้กินเพื่อดับความหิวกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เหมือนกินยา ไม่ต้องมีความอยากก็ได้พระหลานพระพุทธเจ้าท่านก็ยังต้องกินอาหารอยู่แต่ท่านไม่ได้กินไวยความอยากท่านก็กินไปมีอะไรก็กินไม่มีไม่มีก็ไม่กินไม่เดือดร้อนไม่ได้ไปเรียกหาไม่ได้ไปสรรหาว่าเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้มีอะไรได้มาก็กินไปตามมีตามเกิด วิธีที่เราจะแก้ก็คือถ้าเรายเป็นคนเลือกอาหารเองเราก็ต้องเลือกอาหารที่เราไม่ชอบไม่อยากถ้าเป็นเลือกอาหารที่ชอบมันก็จะติดมันก็อยากจะกินอาหารชนิดนั้นอยู่เรื่อยๆหรือถ้าชอบก็เอามาคุกเอามายำให้มันเละเลยอย่างวันก่อนพูดว่าพระกินข้าวหมากันข้าวที่อยู่ในบาตรท่านคุกเป็นเหมือนกับข้าวที่เราคลุกให้หมากิน หมาไปกินนั้นมัหมาก็กินได้หมาไปกินอย่างอะร่อยอร่อยร่างกายเรามันก็เป็นเหมือนหมาตัวหนึ่งก็เลี้ยงมันเหมือนหมาไปสิไอที่จู้จี้จุกจิกไม่ใช่ร่างกายหรอกไอใจมันไม่ได้กินนั่หน่อยใครกินเอ่ะเวลากินอาหารนี่ใครกินตายกินหรือร่างกายกินนั่นสิแล้วร่างกายมันเดือดร้อนไหมใจคุกหรือไม่คุกมันก็ไม่เดือดรอนแต่ใจนี่เป็นคนป้อนเนี่ยมันไปเดือดร้อนแทนคนกิน ใจเหมือนแม่ป้อนอาหารให้ลูกเนี่ยต้องเลือกอาหารที่ใจที่แม่ชอบกินให้ลูกกินไม่จําเป็นเลลูกกินอะไรก็ได้เหมือนป้อนอาหารให้หมาเนี่ยหมามันไม่กินอะไรก็ได้แต่ถ้าเราไปเลือกจัดให้มันเดี๋ยวมันก็ติดมันเสียนิสัยได้ก็จัดอาหารแบบนี้มันกินมันหลังอาหารอยากอย่างนี้มันกินมันก็ไม่กินก็ได้ หมามันก็มีใจเหมือนกันใจมันมันพอมันถูกกระบาลอะไรแล้วมันก็อยากจะกินอย่างนั้นพอมันไม่ได้กินอย่างนั้นบางทีมันก็ไม่กินก็ได้มันก็มีถ้ามันมีกินบ่อยๆมันก็เมินวิธีแก้มันก็อย่าอย่าอย่าไปทําอะไรบางมื้อกินก็ไม่ต้องกินอย่าไปบังคับมันเดี๋ยวมันหิวมันก็กินเองคนย็เหมือนกันเนี่ยอาหารเนี่ยที่มันเราไม่กินเนี่ยลองไม่ให้ลองอดสักสองสามมือดูเลยกินได้ อยากจะกินขึ้นมาทันทีอ อ, อ, อกินได้ทั้งนั้นถึงเวลาก็ อ, อ, อดอาหารหลายๆวันทีนึงมาเห็นข้าวเปล่ากับคุ้งน้ําปลานี่ก็อร่อยนะไม่เชื่อลองดูสิลองอดสักสองสามวันดูวันที่จู้จี้จุกจิกกินนี่นู่นไม่ได้กินนี่นี่ไม่ได้ลองอดอาหารดูสักสองสามวันดูอะไรก็อร่อยหมดเลอะไรก็น่ากินไปหมด เด๋ยงเราไปซื้อทานเองแล้วก็เลือกของที่เราชอบนะก็อยากเลือกเสร็จบอกสั่งให้เด็กให้เอามาสักสองสามอย่างอะไรก็ได้ไปร้านก็หนูหนูเด็กเข้ามาถามพี่จะกินอะไรเอามาอันนี้ก็ได้เอามาเลย ม, มึงเลือกให้กูหน่อย <c oughs> อถ้าอยากจะดัดทาเป็นนักปฏิบัติก็นั่งแบบนั้นน่ ก็เป็นพระเปบินธบาตไปบอกโยมว่าโยมอาตมาจะเอาอย่างนู้นอย่างนี้ได้หป่าก็ไม่ได้โยมจัดมาก็าแล้วกันใช่ไอมก็เหมือนกันเราไปถ้าเราเป็นนักปฏิบัติแล้วก็เหมือนนักบวชเวลาเราไปล้านนาหารก็สั่งหนูจัดมาให้พี่ของสามอย่างอะไรก็ได้นเีโยมอยูบ้านเป็นนักปฏิบัติเหมือนกันคือคือโยมต้องทำกับข้าวประทานนี่เวลาไปซื้ของนี่ ก็กวาสายตาไปก็พยายามซื้อของที่มันไม่ไม่รู้หราอะไรก็ซื้อเล็กๆน้อยๆกลับไปแล้วก็ต้องมาที่อแบบวันนี้เราจะทำอะไรข้เจียวมุกทอดอะไรยเงี้ยไม่ได้คิดว่าควาอยากนะเพราะว่ามันมีเราก็ทำอย่างเงี้มันไม่อยากนมันรู้เองเน่ยอย่ามาถามเราเลยอ่ามันอยากไม่อยากมันอยู่ในใจเราเออ ทำแบบไม่ทำแบบไม่อยากก็มีทำแบบอยากก็มีอแต่แล้วล่ะเร า, าอยู่ที่ใจเรานั่นแหะเราอยากไม่อยากเรารู้เองอยถ้าแน่จริงต้องกินของที่เราไม่ชอบเลยเนะ ม, มันรับเราแน่ไม่อยากแน่อ ถ้ากินของไม่ชอบนี่มันอยากร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วเนีเราไปกินของไม่ชอบดูเลยมันาไม่ชอบนี่ไม่เคยอยากกินเลยใช่ไหมถ้าอยากกินแบบไม่อยากก็กินของที่เราไม่ชอบเลยอราเราต้องการดัดสันดานอะไปกลัวมันทําไมร่างกายก็ได้อาหารเหมือนกันมันก็อิ่มเหมือนกัน่ะไม่ร่างกายมันก็ไม่ผลผลลัพธ์ก็ไม่ต่างกันกินอาหารที่เราไม่ชอบกับกินอาหารที่เราชอบเนี่ยร่างกายมันเท่าเท่ากันได้สารอาหารได้อะไรเหมือนกัน อยู่ได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันแต่สิ่งที่เราได้ก็คือการกินของที่เราไม่อยากไม่ชอบนี่มันทาให้เราตัดความอยากได้ต่อไปเราจะเฉยๆกับอาหารที่เราอยากกินเห็นแล้วก็เฉยๆได้ตอนนี้เฉยไม่ได้พอเห็นอาหารอยากแล้วอดไม่ได้อยากจะกินมันก็เหมือนกับบุหรี่อยากบุหรี่อยากเหล้านี่ก็อยากไปอยากจะดื่มเหล้าก็ดื่มน้าแทน ต่อไปเดี๋ยวมันก็มันก็ไ ม, ม, ไม่มันก็ไม่ดื่มบุหรี่มันก็ไม่ดื่มเหล้าได้ก็ดื่มน้นําแทนนะอยากจะดื่มกาแฟาก็ดื่มน้ําเปล่าๆไปต่อไปมันก็เลือกดื่มกาแฟาได้ถามเส้นแนวทาการพิจารณาน่อนะคะคือถ้าสมมติว่าเราเราทำแล้วเราจะสอนจิตเราบางครั้งมีความอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเรา เรารว่าเราควรจะพิจารณาให้มันอยากเป็นไนี่มันมันเป็นปัญญาจริงจริงหรอมันเป็นสัญญาที่เราฟังคำครอบถ้าถ้ามันหยุดความอยากได้ก็เป็นปัญญาถ้าหยุดความอยากไม่ได้ก็เป็นสัญญาแต่มันหยุดได้ชั่วคราวมันมันเหมือนกับว่าเราเราต้องสอนจิตสอนจิตสอใจบ่อยๆว่าอันเนี้ยเราทุกข์นะเราทุกข์และเราทุกข์เพราะอะไรเราก็ต้องบอกมันว่าเพราะเรา ไปคิดนะคิดแล้วมันก็เลยไปเกิดเวทนาถ้ามันมันก็ปรุงแต่งแล้วแล้วเราก็ต้องกลับมาให้สติเราใหม่มก็คือมาอยู่กับพุโทโธ<ม>แต่ลนะขณาดนั้นอะ่ะมันก็เบรกได้แป๊บเดียวแต่ว่าพอมันไปเหมือนไปกระทบอารมณ์ของเก่ามันเหมือนเป็นธรรมอารมณ์ขึ้นมาอีกเอาไปแล้วไป<ม> ต, ต้องพยะคือก็เลยถามเลยว่าตกลงเนี่ยเรามีปัญญาไหมที่เอย่างถ้านที่ฟังนี้มันมีแค่สติไง เราเพียงรู้ว่าเราคิดแล้วเราต้องหยุดความคิดอันนี้ยังเป็นเรื่องของสติถ้าเรื่องของปัญญาต้องหรือว่าเรากําลังอยากแล้วเราต้องหยุดความอยากนั้นอันนั้นไม่ต้องใช้สติใช้ปัญญาเช่นกำลังทุกข์กับเรื่องอะไรอยู่เนี่ยถ้าเราหยุดคิดถึงเรื่องนั้นมันก็หายทุกข์ชั่วคราวพอเรากลับไปคิดใหม่มันก็จะทุกข์อีกแต่ถ้าเราใช้ปัญญาว่าที่เราทุกข์กับเขาเพราะว่าเราอยากให้เขา เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราเปลี่ยนใจว่าต่อไปนี้เราไม่ปไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปจะไปเจอเขาไปคิดถึงเขากี่ครั้งก็จะไม่เดือดร้อนพราะเราไม่ได้ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วนี่เรายังไม่เข้าถึงตัวตัวปัญญาแล้วเข้าถึงแค่ตัวสติคือเราใช้สติแะ้ครับความไม่สบายใจความทุกข์ใจได้ชั่วคราวคือ พอเราคิดถึงเรื่องนั้นแล้วทาให้เราไม่สบายใจแล้วก็พูดโธพูดโทไปพอเราอยู่กับพูดโธเราก็ลืมเรื่องนั้นความไม่สบายใจก็หายไปแต่พอเดี๋ยวกลับไปเจอเรื่องนั้นใหม่ก็ไม่สบายใจใหม่เพราะเรายังไม่ได้ไปแก้ต้นเหตุของความไม่สบายใจกับเรื่องนั้นความไม่สบายใจของเรากับเรื่องนั้นคือความอยากให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ต้องมาแก้ที่ความอยากว่าไม่อยากแล้วจะเป็นไงก็เป็นไป ไม่ใช่เรื่องของเราพอเราไม่มีความอยากปล่อยให้เขาเป็นไปเราเห็นเราก็จะเฉยเฉยได้อแต่มันเหมือนทุกข์มันก็ยังอยู่แต่มันเบาลงนะคะอาจารย์แบบว่ามันได้รู้รู้ว่าเราพยายามสอนสอนมันไปด้วยเราไม่ไปอย่างเดียวเราก็บอกว่าอันนี้มันก็มันไม่หมดกันมันต้องมันต้องใช้ปัญญามันถึงจะหมดนะถ้าใช้ปัญญาแล้วมันจะหมด ก็เปลี่ยนเขาไม่ได้อยากให้เขาเป็นส้มเขาเป็นกล้วยเอ่ายังไม่ยอมรับกล้วยเอ่าอยากเอยังอะไรเขายังอยากให้เขาเป็นส้มอยู่อย่างเงี้ยแต่เขาเป็นกล้วยเขาเป็นอย่างเนี้ยนิสัยก็เป็นอย่างเนี้ยอใจเขาเป็นอย่างนั้นตราบใดถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ยังก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่พอเรายอมรับว่าเขาเป็นอย่างนี้ย ยอมรับเสียก็จบแล้วก็จะไม่ทุกข์กับเขาต่อไปเราจะทําอะไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่มีความอยากให้ก็ทําทอย่างนั้นทําอย่างนี้แล้วคนที่เราไม่มีอยากความอยากด้วยเราเดือดร้อนไหมคนต้องเยอะแยะเนี้ยคนคนเราเนี้ยคุณมีความทุกข์กว่าเขาปะ่ะตอนนี้ไม่มีเพราะคุณไม่มีความอยากให้ก็ใช่ไหมเขาจะทําอะไรคุณไม่เห็นเดือดร้อนนะแต่พอคุณไปสนิทสนมไปรู้จักเขาเข้านี้ เดี๋ยวเกิดเอาแล้วสิเกิดจะมีความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะไปเดือดร้อนกับเขาแล้วก็เปรียบเทียบคนที่เราไม่รู้จักด้ยนะคือคือมันต้องมันไม่ไดเอามาใช้แก้ปัญหาน่ อันอันนี้ก็คือเรื่องของสมาธิมันมันเป็นตัวที่จะทำให้เราอาใช้ปัญญาได้หรือไม่ได้เช่นเรารู้ว่าการสูบบุหรี่นี้ไม่ดีพอเกิดความอยากขึ้นมาเนี่ยเรายังหยุดไปไม่ได้แสดงว่าเราไม่มีสมาธิจิตเราไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากแต่เรารู้โทษของความอยากแล้ว ของของความอยากว่าทำให้เราต้องทุกข์แต่เราหยุดมันไม่ได้แต่ถ้าเรามีสมาธิมีกำลังที่จะหยุดแล้วเรารู้โทษของมันว่าความอยากแบบนี้ไม่ดีเราหยุดมันเสียเราก็จะหายหายทุกข์ต้องมีสมาธิก่อนถ้าเรามีปัญญาแล้วเรารู้แล้วว่าปัญหาของเรา ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้แต่เรายังหยุดมยไม่ได้เราก็ต้องกลับมาทำใจให้สงบเพื่อหยุดใจให้ได้หยุดเวลาใจสงบเราก็หยุดความอยากได้เพราะเรามีกำลังหยุดความอยากแล้วพอเกิดความอยากแล้วเราใช้ปัญญาบอกอยากแบบนี้ไม่ดีอยากแล้วทำให้เราไม่สบายใจเราก็หยุดมันถ้าเรามีสมาธิเราก็หยุดได้ แต่ถ้าเรามีสมาธิแต่ไม่มีปัญญาเราก็ไม่รู้ว่าความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเราถึงแม้เรามีสมาธิจะหยุดความอยากได้แต่เราก็ไม่หยุดมันเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจของเรา premier, มันต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญามันถึงจะหยุดความไม่สบายใจของเราได้ด้วยการไปหยุดความอยากนั่น ความอยากที่ทําให้เราไม่สบายใจสมัยที่พระเจ้ายังไม่ตัดสัู้้ยังไม่รู้ว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจของท่านท่านก็สบายใจเฉพาะเวลาอยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาเวลาใจอยากท่านก็ไม่รู้ว่ามันมันเป็นต้นเหตุของทําให้ใจท่านไม่สบายท่านก็ไม่รู้ว่าทํายังไงพอหเห็นความแก่ความเจ็บความตายทีไรไม่สบายใจทุกทีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไง ให้มันไม่มมันไ่ให้มันไม่ไม่ไม่ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแต่ตอนลังหันมาพิจารณาดูเเวลาที่เราไม่คิดถึงมันเราก็ไม่ทุกข์พอเราคิดถึงมันเราทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่อยากให้มันตายไม่อยากให้มันแก่ก็เลยรู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราแต่เวลาที่เราไม่อยากเราก็ไม่ทุกข์กับมัน เราก็อยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายาะอยากมันก็แก่เจ็บตายอยู่ดีต้องเป็นของที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ดีอยากให้ไม่แก่มันก็แก่อยากให้ไม่เจ็บมันก็เจ็บอยากไม่ให้ตายมันก็ตายอยู่ดีอยากแล้วมันทุกข์ก็ไม่อยากก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนร่างกายร่างกายก็ยังแก่เจ็บตายเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าใจไม่ทุกข์กับมันแล้วเพราะใจเราไม่มีความอยากแล้ว แต่ถ้ายุคของพวกเรานี้เราพิกกลับไปไม่เหมือนยุคของพระพุทธเจ้ายุคของพระพุทธเจ้าท่านมีสมาธิแต่ท่านไม่มีปัญญายุคของพวกเรามีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิพอเราฟังเทศฟังธรรมกันอยู่ตลอดเวลาเรารู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราอยู่ที่ความอยากของเราอยู่ที่ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่เราหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราไม่มีสมาธิ ถ้าเรานั่งสมาธิทำใจใสงบได้แล้วพอเราคิดถึงความแก่แล้วอยากไม่แก่แล้วก็จะหยุดมันมได้ทันทีกาสติสัปญรวให้ได้รู้อารมณ์เดียวก่อนมีสมาธิคือใจต้องอยู่กับเรื่องเดียวไม่ให้คิดปรุงแต่ง อ, อ, อารมณ์เดียวจะอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ ใ น, นขณะที่เราไม่ได้นั่งสมาธินะในขณะที่เราทำกิ จ, จวัตรกิ จ, จกรรมอะไรต่างๆเราต้องควบคุมใจตั้งแต่ขณะนั้นเลยไม่ใช่มาควบคุมเฉพาะเวลาที่นั่งสมาธิพอมานั่งสมาธิแล้วค่อยมาควบคุมนี้มันจะไม่มีกำลังพอออมันปิดมันสงบมันก็รู้เอง เวลาเวลานั่งสมาธิจิตมันรวมลงแล้วก็รู้ออกจิตสงบแล้วจิตรวมเป็นหนึ่งถ้าจิตยังฟุ้งอยู่นั่งแล้วยังเจ็บยังปวดตรงนั้นอยู่ยังขยับยังยังอยากอยู่นี่มันยังไม่สงบถ้าสงบแล้วมันจะนิ่งเฉยร่างกายนี้เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนเฟืนจิตก็สงบนิ่งสักแต่ว่ารู้เฉยๆแล้วก็มีความสุขมีความสบาย ไม่อยากจะไปไหนไม่อยากมีอะไรไม่อยากได้อะไรก็ใช้ร่างกายเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆใช้กายกัตตาสติคอยเฝ้าดูร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นกำลังอาบน้ำก็อยู่กับการอาบน้ากาลังแปรงฟันก็อยู่กับการแปรงฟันกำลังรับประทานอาหารก็อยู่กับการรับประทานอาหาร กำลังบินธบาตก็อยู่กัการบินทบาติเปิดฟ้าบาติปิดฟ้าบาัติมองซ้ายมองขวานี่ให้มีสติอยู่กับการกระทําต่างๆของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ส่งให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้คิดแล้วใจลอยเดินข้ามถนนรถชนตายและเพราะใจลอยใจไม่ได้อยู่กับร่างกายถ้าใจอยู่กับร่างกายนี่จะรู้ทุกอย่างที่เกิดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกาย นี่เรียกว่าการฝึกสติการเจริญสติมีอยู่สี่สิบวิถีกายกตาสติแล้วแต่เราจะถนัดอย่างไรบางคนก็ใช้พุโทโธแทนที่จะดูร่างกายก็พุโทโธไปอาบน้ําก็พุโทโธแปรงฟันก็พุโทโธก็เหมือนกันก็ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั่นเรื่องนี้บางคนจะคิดถึงความตายขณะทุกข์ทุกข์ยาบปวดก็ได้ตายตายหายใจเข้าก็ หายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายก็คิดมันอยู่แค่นี้คือแม่ไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่อารมณ์เดียวแล้วใจจะเป็นหนึ่งแล้วเวลานั่งสมาธิมันจะมันจะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็วพราะเหมือนกับเอาเอาใจไปจ่อที่ปากแล้วปากปากหลุมแล้เหมือนเหมือนเราตีกอล์ฟอะตอนที่เราจะเขี่ยมนันลงในหลุมหน้าเราต้องตีมันต้องหลายหลายครั้งใช่ไหม ไมันไล่ตล่อมมัน้าไปตะล่อมมันเข้าไปให้มัาไปหารูจิตของเราสมาธิก็เป็นเหมือนรูจิตของเราก็เป็นเหมือนลูกกลอฟเนี่ยตอนนี้เราต้องต้อนมันให้ให้มันอยู่ในปัจจุบันให้มันอยู่กับเรื่องเดียวให้มันอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอยู่กับร่างกายอยู่กับความตายบางคนก็ใช้โครงกระดูกก็ได้คิดถึงแต่โครงกระดูกอย่างเดียวไม่คิดถึงอะไรอยู่กับโครงกระดูกไปเรื่อย ร่างกายนี้ก็โครงกระดูกดูโครงกระดูกของร่างกายนี้ถ้ามันไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นมันก็จะไม่มันก็จะอยู่ที่ปากหลุมพอเรามานั่งเฉยๆนั่งหลับตามันก็จะลงหลุมได้เพราะใจต้องกายต้องนิ่งก่อนร่างกายถึใจถึงจะนิ่งได้ถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวยอยู่แสดงว่าใจยังต้องทํางานยต้องควบคุมร่างกายต้องสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหว ใจก็ยังนิ่งไม่ได้หยุดไม่ได้มันต้องหยุดกายก่อนกายวิเวกแล้วจิตถึงจะวิเวกเอี่ยก่อนจะมานั่งสมาธิถ้าไม่มีสติไม่ไม่ตะล่อมมันมาให้ให้มันอยู่ปากหลุมเนี่ยนั่งปัญญามันตายก็นั่งไม่เข้าเหมืนคนตีกอล์ฟอยู่ห่างไกลสามร้อยหลาตีหนเดียวโฮเอ็นวันอย่างหมเนียมันนา น, น, านมันฟุ ก, กอ่ะมันถึงจะได้เฮ คนบางคนที่ไม่ได้ฝึกอะไรสติเลยพอมานั่งแล้วจิตมันรวมนี่แสดงว่าโอ้นี่ฟุกจริงๆเลยยังหวะใจพอดีไม่ได้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยบังเอิญมันอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอยู่กับลมอย่างเดียวแล้วปั๊บเดียวมันก็เข้าไปได้แต่เข้าได้ผลเดียวทั้งต่อไปให้ทําอีกทําไม่ได้แล้วพอแล้วมันคิดแล้วคิดถึงให้โฮเอินวันแล้ว เน้นต้องฝึกสติให้มากๆสตินี้สําคัญมากถ้าไม่มีสติถ้าไม่ตะลอมจิตให้มาอยู่บนกรีนนี่มันพัดหนเดียวไม่ลงอ่ะนะมันต้องให้มันอยู่บนกรีนก่อนแล้วพอเนี้ยพัดหนเดียวก็ลงได้บ น, นกรีนลายอย่างเยอะเลยบางคนบางคนบางคนต้องพัดต้องหลายทีนะใจไม่นิ่งไงคนใจตีไม่นิ่งเนี่ยใจมันไม่นิ่งมัน เกิดความอยากขึ้นมาบางทีก็ตีตีแรงไปตีเบาไปทบทวก็ฟังฟังอาจารย์แบบทตูบอกอนจปากเปีกปากดอเียก็ต้องเอาแน่ๆนะถูกใช้ ใช้หลายทอดของอาจารย์ฟังอย <c oughs> คนเดียวเลยนะวน <c oughs> ันวัยขันยุคฟั ง, <c oughs> งแค่ต้นจนจบนะแล้วเราหลับตาแล้วนั่งฟังทุกคำนะออกอังก็ฟังเสร็จแล้วนะคะก็ไปนั่งสมาธิเวลัสมาธิมันก็เริ่มสงบมันก็เข้าไปชั่วมงขึ้นแต่ถึงเวลาไปเดินนะไปเดินจงกองอีกเครื่องชั่โมง กลับมามานั่งต่อกฟ้าก็ว่ามันสงบสงบมาถึงว่าไม่ไ ม, ม, ม่พวกเรายังขั้นขั้นปฐมอยู่<อ>ก็มันก็มันก็เงียบสงบไปจนประมาณสองชั่วโมง ก, กว่าๆ ห, หน่อยหรือว่าไม่มีอะไรเข้ามาเลยจนกระทั่งมีเสียงกุญแจอืมหน้าประตูท่านชายของบ้านก็นเลยตืต่น <c oughs> ก็มาสรุปได้อย่างที่ฟังท่านอาจารย์ตอนนี้เขาบอกว่า เพราะว่าเราเราฝึกเราฝึกสติให้มั่นคงโดยใช้สติเน่โ ย, ยงกับคำเทศของอาจารย์อยู่ทุกคำเลย ม, มาสองชั่วโมงมแบบแบบเป็นเตรียมตัวนะแล้วก็ไปนั่งหลับตาเนี่ยมันก็มันก็เริ่มเข้าเริ่มเข้าแล้วก็ออกไปออกกำลังกายแบบข้ามเนี่ยเนี่ยนะ แล้วก็กลับมานั่งอีกม่ถึงนั่งไม่นานขนาด น, านั้นหรือแปลกใจตัวเองพาสติไงสติแต่สติมันทำให้ไม่มีความคิดที่อาจารย์ว่าอย์่าอาจารย์่าจริงอื้สุดแล้วหวานต้องทำบ่อยๆทำเรื่อยๆแล้วต่อไปจะชำนานจะเข้าสมาธิได้ง่ายได้เร็วแล้ได้นานแล้วพอมีกำลังสมาธิแล้วทีนี้นก็มาอัพพลกับปัญญามาหยุดความอยากหยุดกาแฟลองหยุดกาแฟเร็ว หยุดของอย่างยากต่างๆดูจับเไม่ฟุ้งซ่านใช่ไหมอ่าอ่าอ่าเอ้าเามาต้องการหนังสือซีดีก็หยิบเอานะใครจะไปก็ไปได้ น, นะไม่เสียมารยาทใครจะอยู่ก็อยู่ใครอยู่ก็คุยกันไปไม่มีไม่มีกฎไม่มีเกณ์ตายตัว แต่ว่าอย่ารบกวนกันก็แล้วกันจะไปก็ไปเงียบเงียบมาก็มาเงียบเงียบขอให้คนที่เขาคุยกันได้คุยกันต่อคุณอยากจะไปก็ไปเงียบเงียบมาก็มาเงียบเงบอย่ามารบกวนกันก็แล้วกันต้อบอกว่ามันเกิดความสงสัยค่ะว่าบอกเวลาที่เราสอนสอนใจเราเนี่ยโดยใช้ธรรมะเนี่ยบอกบางทีกิเลสมาซ้อน มันหลอกกิเลสมันมันมหลอกเราว่าเออมือนมันมันมาออมันมันมันเหมือนมันมาพูดทำสอนทำให้กับเรามันมีแบบนี้ด้วยไปอ่านเจอแล้วก็เลยงงว่าเออถ้าบางครั้งที่ที่เราสอนเอาธรรมมาสอนใจเราเนี่ยมันเป็นกิเลสมันสอนอยู่หรือว่ามันเกิดจากสัญญาเราที่เรากำลังให้ให้ปัญญากับมันทำของวุทเจ้ามันก็เป็นธรรมน่ะมันจะเป็นกิเลกก็ตอนที่ว่าเหมือนกับว่า พอถึงเวลาก็ทําไม่ได้เวลาสอนใจบอกอย่า ก, กินกาแฟนะกาแฟไม่ดีนะอย่างโน้นอย่างนี้นะพอถึงเวลาอยากขึ้นมาก็ดื่มอยู่ดีนี่ะเรียกวิเลศ ส, สอนใจนะจ๊ะไม่ใช่ทาสอนใจออถ้าทําสอนใจอพอถึงเวลาอยากก็ต้องไม่อยากก็ต้องหยุดมันถึงจะเรียกว่าเป็นธรรมเท่านั้นเองทําก็ยังเป็นธรรมอยู่เพียงแต่ว่าเวลาที่จะเอาไปอัพลายเอาไปปฏิบัติเนี่ยมันไม่เอาไปใช้ พอถึงเวลาดื่มกาแฟลืมเรื่องเรื่องธรรมองค์พระเจ้าไปเลยถูกับไปแปลความหมายผิดว่าบางครั้งอยากคิดว่าเรารู้ธรรมเข้าใจธรรมมันอาจจะเป็นเพราะเรากำลังให้ความตั้งใ จ, จเรา attention แบบตรงเนี้ยมันก็เลยขึ้นมามันเป็นกเร碍 ท, ที่มาซ้อนมาหลอกเราว่าให้เราพยายามอยู่กับทํา อ, อยู่กับวนสอนจิต้อนใจอนยะ่างน้ แล้วไปอ่านเจอด้วยค่ะเขาบอกว่าอันนี้มันก็ถือกิเลสเรากิเลสที่ขึ้นมาเป็นธรรมะเนี่ยพูดเรื่องธรรมะเกิจะกตกวกิเลสเราก็ต่มเมื่อเวลาถึงเวลาที่จะต้องใช้ธรรมแล้วไม่ใช้มันเนี่ยแต่ถ้ายังถ้าเราคิดอยู่นี่ไม่ถือว่าเป็นกิเลสหรอกก็เพียงแต่ว่าเราอย่าไปหลงคิดว่าเราบรรลุแล้วก็ล้กันจากการที่เราคิดว่าเรามีปัญญาแล้วเพราะนี่ยังเป็นปัญญาที่เกิดจากความคิดอยู่ยังไม่ได้เป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติ ตัวที่จะพิสูจน์ว่าเป็นปัญญาแท้ก็คือปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติคือปัญญาที่หยุดความอยากได้อันนั้นแหละถึงจะเรียกว่าปัญญาตอนนี้เราก็คุยนะ้างอยากไม่ดียิงดื่มกาแฟก็ไม่ดีกินของที่เราชอบก็ไม่ดีของที่เราอยากเพาะถึงเวลาก็เหมือนเดิมกาแฟมาปุป๊บดื่มของชอบปุป๊บหยิบเลยหริษารมาถ้าเป็นแทบตายก็ ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นประโยชน์เหมือนพ่อแม่สอนลูกว่าลูกทําอย่างงาู้นทําอย่างงี้นะพอถึงเวลาก็ไม่ได้ทําตามที่พ่อแม่สอนเพราะว่ากําลังของกิเลสมันไวกว่าทําที่เราสอนหรือว่าทําเราไม่มีกําลังใจเราไม่มีกําลังอย่างถ้าเราจเจริญปัญญาโดยไม่มีสมาธินี่ยก็จะเหมือนกับเหมือนกับว่า มีความรู้แต่ไม่มีไม่มีกำลังที่จะใช้ความรู้นั้นให้เกิดผลขึ้นมารู้ว่ า, เ, าเราต้องหยุดความอยากนะแต่พอถึงเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ามไม่มีกำลังหยุดมันสู้มันไม่ได้เพราะเราไม่มีสมาธิแต่ถ้าเรามีสมาธินี่พอรู้ว่าความอยากนี้ต้องหยุดนะก็จะหยุดได้หดูพระปัญจวคีเนี่ยพวกนี้เขามีสมาธิกันหมดแล้ว พอพระธิดาพระพุทธเจ้ า, าตัดสัุอริยสัจ ส, สีบอกว่าอบอกว่ า, วาวความอยากเป็นตัวปัญหานะพวกเธอต้องอยาบไปทําตามความอยา ก, กเขาก็ฟังท่านนี้เขาก็หยุดได้เลยเขาก็บรรลุได้เลยเมื่อก่อนเขากลัวความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าบอกต่อไปนี้เธออย่าไปกลัวเธออย่าไปอยากให้ความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะจะทําให้เธอทุกข์ถ้าเธอไม่อยากจะทุกข์เธอต้องเธอต้องไม่อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เพราะอัญญาณโกนทญญานยะก็เลยเข้าใจเลยบอกอ้อถูกต้องสิ่งไหนมีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาท่านก็ยอมรับท่านก็ปล่อยให้มันแก่มันเจ็ บ, ม, จบมันตายไปตอนนี้เรารับมันได้ปะรับความแก่รับความเจ็บความตายได้ปะแค่เนี้ยปัญหาก็อยู่แค่ตรง น, นี้ยถ้ายังรับไม่ได้ก็แสดงว่าปัญญายังเป็นแค่จินตามายะปัญญาหรือสุตตามายะปัญญา สุดตาก็เนี่ยปัญญาที่เกิดกับการได้ยินได้ฟังตอนนี้ดูแล้วว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วพอเราเจ็บขึ้นมานี่ก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากไม่ไม่เจ็บเราก็ต้องมาหยุดความอยากด้วยการนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิจิตสงบปั๊บความอยากก็หยุดทันที แต่มันจะหยุดเฉพาะเวลาอยู่ในสมาธิแต่ถ้าเอาสมาธิมาผสมกับปัญญามันจะหยุดตลอดเลยเพราะทุกครั้งที่มันอยากปัญญาบอกอย่าทำตามมันปั๊บสมาธิก็สนับสนุนได้ ท, ทันทีแต่ถ้าไม่มีสมาธิปัญญาบอกให hey, ้อย่าอยากนะแต่มันก็ยังอยากอยู่ อย่างสมัยก่อนเนี่ยเรือเรือเรือเมที่นั่งเนี่ยเขาจะมีคนขับกับคนคุมเครื่องคนขับจะเป็นคนสั่งคนคุมเครื่องว่าให้เข้าเกียร์หน้าถอยหลังเพราะเครื่องมันอยู่ข้างล่างเนี่ยคนขับมันอยู่อยู่ข้างบนเนี่ยคนขับก็เหมือนปัญญาเนี่ยแล้วสมาธิก็เหมือนเหมือนคนคุมเครื่องปัญญาบอกให้เดินหน้าเนี่ยสมาธิก็ถ้าคนคนคนค น, คนคุมเครื่องให้เดินหน้ามันก็เดินหน้า แต่แต่ถ้าเกิดคนคุมเครื่องมันเข้าเกียร์ถอยหลังมันก็ไม่ได้เดินหน้าตามคนสั่งใจของเราสมาธิเราเราไม่มีคนคุมเครื่องไม่มีคนหยุดหยุดเครื่องหยุดการกระทําต่างๆพออยากปุ๊บก็ทําเลยทั้งๆที่มีปัญญาบอกอย่าทำทำแล้วทุกข์ก็มันปัญญามีแต่ไม่มีคนคุมเครื่องไม่มีคนไปหยุดเครื่อง หยุดจิตหยุดใจตัวที่จะหยุดจิตหยุดใจก็คือตัวสติตัวที่จะสอนจิตสอนใจก็คือปัญญาเนี่ยมันจะไปสองคนเนี่ยสติปัญญามักถึงมักจะไปควบคู่กันเนี่ยถ้ามีสติก็จะทําให้ใจหยุดได้หยุดทําใจให้สงบได้ถ้ามีปัญญาก็จะสอนใจให้อย่าไปทําตามความอยากได้มันต้องมีทั้งสองอย่างตอนนี้เรามีปัญญาแต่ไม่มีสติ มีมีน้อยมีไม่พอที่จะทำให้ใจหยุดความอยากได้เนีย่ยเราต้องนั่งสมาธิให้จิตมันสงบให้ได้นั่นแนะ่ะถึงจะรู้ว่าเออเรามีสติพอแล้วสามารถหยุดใจได้แล้วหยุดความอยากได้แนละ้วต่อไปเวลาไปเจอความอยากถ้าปัญญาบอกความอยากแบบนี้ไม่ดีหยุดเลยหยุดได้เพราะความอยากมันมีทั้งอยากที่ดีก็มีอยากที่ไม่ดีก็มีเนีนปัญญาจะต้องเป็นคนบอกว่าอยากแบบไหนดียากแบบไหนไม่ดี อยากทําบุญทําไปเลยอ่ให้เข้าเกียร์ให้เดินหน้าเลยใช่ไหมถ้าอยากจะเอาเงินไปเที่ยวนี่ให้เข้าเกียร์ถอยหลังเลยอย่าอย่าไปแต่ถ้าเราไม่มีคนคอยคุมคุมคุมจิตคือสติมันก็จะหยุดไม่ได้เหมือนกับคนขับเรือเนี่ยสมัยก่อนก็มีสองคนคนที่คนที่ขับเรือให้เรือไปซ้ายขวาเนี่ยแล้วคนที่คุมเครื่องก็จะอยู่คนละที่กัน เพรเรือสมัยก่อนมันเครื่องอยู่ข้างล่างคนขับอยู่ข้างบนมันขับจะคอยถือหางเสือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่เวลาจะเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังมันต้องเขาจะมีสัญญาณเต้งเต้งตงตงเนี่ยจะบอกว่าถ้าหนึ่งเต้งให้เดินหน้าสองเต้งให้ถอยหลังสามเต้งให้ให้เข้าเกียร์ว่างอะไรเขาจะมีส่งสัญญาณกันพวกคุณคาไม่เคยเจอ้งเรือสมัยก่อนสมัยก่อนเป็นเด็กๆใครนั่งเรือพวกนี้ คนขับอยู่ที่หนึ่งคนคุมเครื่องอีกที่หนึน่งสมัยก่อนเลือกข้ามาาม่น้ำเจ้าพยายก็แบบนี้มีคนขับอยู่ข้างหน้าเครื่องมาอยู่ข้างหลังะแล้วเขาจะมีไอ้ไอร้ bor, ไอระฆังไอ้กระดิ่งเนี่ยดังเต้งเตงกับตันคนขับจะคอยให้สัญญาณเต้งเต้งต้งอะไรี้คนคุมเครื่องได้ยินเสียงอ่ะให้เข้าเกียร์ละอให้ให้ถอยหลังให้เดินหน้าเขาจะรับสัญญาณกัน สติปัญญาก็แบบนั้นสติเป็นตัวคุมจิตให้นิง่งปัญญาเป็นตัวสอนบอกว่าให้นิ่งเวลาไหนตอนนี้เราไม่มีปัญญาไม่มีมีปัญญาบางทีก็มีไม่ถูกเวลาให้นิ่งก็ไม่นิง่งเวลาให้ไม่ให้นิ่งก็นิง่งเช่นเวลาให้ให้นั่งสมาธิไม่นั่งทำนู่นทำนี่พอถึงเวลาถึงเวลาให้นิ่งก็ไม่นิง่งถึงเวลานิ่งก็ไม่นิ่ง นึกไม่ออกนึกนึกตัวอย่างไม่ออกเช่นให้เวลาทำงานให้ไปช่วยล้างถ้วยล้างชามก็ไม่ทำจะนั่งสมาธิแต่เวลากินนี่เอเกเอกินอยังต้องมีทั้งปัญญาปัญญาจะบอกว่ า, ญญาควรจะทำอะไรไม่ควรทำอะไรแล้วก็ต้องมีสติที่จะทำตามคำสั่งของปัญญา ถ้าปัญญาบอกให้อย่าทำอย่างนี้ก็หยุดได้ให้ทำอย่างนี้ก็ปล่อยให้มันทำได้ไม่สติจะต้องรู้ต้องรู้ดีรู้ชัวไม่ปัญญารู้ดีรู้ชัวสติเป็ยงแตให้หยุดเฉยเฉยงให้หยุดจิตเฉยเฉยปัญญาจะจะไปด้วยกันให้รู้ดีรู้ชัวไม่ปัญญาเป็นตัวรู้ดีรู้ชัวรััาอะไรที่จอกส์นว่าปัญญาไงปัญญาไงอะไรที่ไม่ไม่คนละเรื่องกันพูดแค่นี้ยังไม่เข้าใจเ สติพุโทโธพุโทโธมันจะไปรู้ดีรู้ชัวรตรงไหนเวลาอยู่พุโทโธพุโทโธมันก็ให้หยุดให้หยุดใจหรือไม่ให้หยุดใจนั่นเองการมีสติเป็นเบรกเฉยเฉยงั้นเราก็ต้องไปใช้ปัญญ า, าปัญญาม า, า, าถึงจะรู้ว่าจะทําหรือไม่ทําไงพอจะหยิบกาแฟามาปัญญาบอกยาอย่างเงี้ยรู้ดีรู้ชั่วล้วสติก็เป็นตัวรู้มตั ว, ต, วตัวรู้ที่จะหยุดจิตรู้ที่จะจะไปเอาปัญญา ไม่รู้ไว้เพื่อที่จะหยุ ด, ห ย, ดหยุดใจหรือไม่หยุดใจปัญญาเป็นตัวบอกว่าดีไม่ดีถ้าเราไม่มีเราก็ต้องไปอาศัยคนที่เขามีไปฟังเขาก่อนเนมาฟังเทศนี่เราจะได้รู้ว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีแล้วเราจะได้ไปใช้ได้เมื่อก่อนเราคิดว่ากินกาแฟดีแต่ เ, เรื่องนี้มาฟังแล้วบอกกินกาแฟไม่ดีนะทีม ยิงรู้ตอนนี้รู้แล้วว่ากินกาแฟาไม่ดีแต่มีสติหยุดมันหรอือเปล่าไม่มีใช่ไหมก็กลิ่นมันแรงมากปัญญาเราต้องอาศัยจากคนที่เขาฉลาดกับเราัวเรานี่ไม่มีปัญญาที่จะรู้ทุกอย่างได้หมดต้องอาศัยคนอย่างพระพุทธเจ้าเขาถึงจะรู้หมดทุกอย่าง เรารู้บ้างบางอย่างผิดถูกดีเชื่อในบางอย่างเราพอจะรู้เอในระดับศีลเราพอจะรู้แต่ในระดับกิเลสนี่เราไม่รู้ระดับตัณหานี่เราไม่รู้ถูกหลอกมาหลายชาติอาจารย์คะระหว่างกรรมาราคากับการรักตัวกูตายก็ทําไมกรรมาราคาถึงละยากมากกว่าความรักตัวเองเพราะว่าเราจะนึกว่าเรารักตัวเองนี่ ม, นมันที่สุดแล้วแต่ อ๋อคือการลักตัวกลัวตายนี่มันไม่ได้เกิดทุกเวลาเวลาเราไปเจออาการเจ็บไข้ได้ป่วยไปเจอเหตุการณ์ที่มันทําให้เรากลัวความตายเนี่ยมันถึงจะเกิดขึ้นมาส่วนไอ้ตัวที่การมาลาคะนี่มันเกิดตลอดยี่บสี่ชั่วโมงมันยากกว่า mm hmm. ก็ลองไปลองไปทําดูสิ คือเวลาที่เราอยู่สบายๆร่างกายไม่เจ็บไายได้ป่วยเราก็ยังทุกกับการมาราคาอยู่ใช่ไหมการมาราคามันเกิดอยู่ตลอดเวลาเวลาอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ใกล้แฟนหน่อยมันก็เหงาละมันก็ทุกขึ้นมาแล้วส่วนไอ้ความรักตัวกวัาตายนี่มันต้องมีเหตุการณ์มาเขย่าใจเราเราถึงจะทุกขเช่นขับรถไปประสบกับอุบัติเหตุเงี้ยรอดตายมาเนี่ยมันก็จะ มันก็จะทุกข์แค่ช่วงขณะนั้นท่านเองแเดี๋ยวพอผ่านไปมันก็หายไปแล้วดงนั <c oughs> ้นมรคความตายนี่มันง่ายกว่ารับมรคกรรมราคาะกรรมราคะนี่มันเหมือนต่อยเราอยู่ตลอด24ชั่วโมงไว้ความรักตัวกลัวตายนี่มันต้องมีเหตุการณ์หรือเวลาเราไปคิดถึงความตายเท่านั้นมันถึงจะทำให้เรากลัวขึ้นมา เอาให้ทางบ้านถาม่างเดียวเขารอนานแล้วเข้ามากี่คนแล้ว370ร้ <500. S 1> แล้วเข้าถึงเท่าไหร่แล้วแสนห้าแสนห้าคาถามจากคุณจูนบางครั้งมิพานเหมือนอยู่แค่เอื้องยิ่งเวลาที่ได้ฟังเทศจากพ่อแม่ฟูบาอาจารย์เรารู้สึกว่ามีกำลังเดินถูกทางแล้วแล้วจะเดินต่อไปให้สุดทางในชาตินี้ แต่บางครั้งมิพานเหมือนอยู่ไกลเกินเอื้อมอนานๆมีทอ้อบ้างค่ะพระอาจารย์มีอุบอายธรร ม, มชี้แนะในการบำเพ็ญเพียงด้วยค่ะจะต้องบำเพ็ญไปเรื่อยๆจะท้อหรือไม่ท้อก็ต้องทําไปเรื่อยๆเหมือนเวลารับประทานอาหาร่ะจะอยากรับประทานหรือไม่รับประทานก็ต้องรับประทานเพราะรับประทานมันดีกว่าไม่รับประทานรับประทานอย่างนั้นมันก็ทําให้ไม่หิว ถึงแม้ว่าจะรับประทานไม่อร่อยอร่อยไม่ถูกปากถูกใจแต่อย่างน้อยมันก็จะทําให้ไม่หิวแล้วถ้าไม่รับประทานเดี๋ยวมันหิวถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วเดี๋ยวมันจะทุกข์มากกว่าที่เราปฏิบัติถึงแม้ปฏิบัติแล้วจะรู้สึกว่าไม่ได้ผลก็ดีกว่าไม่ปฏิบัตินั้นเราต้องมีวินัยในการปฏิบัติเราต้องกําหนดเวลาปฏิบัติเราให้ให้อยู่กับเวลาที่เราตั้งไว้ เช่นวันนี้วันนึงจะปฏิบัติกี่เั่ยงโมงก็ว่าไปถึงเวลาก็ต้องปฏิบัติแต่ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติอาชีพนี้เขาปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเขาจะหยุดก็เฉพาะมีกิจภารกิจจําเป็นที่ต้องทําถ้าไม่มีภารกิจเขาก็จะปฏิบัติเดินยงกมนั่งสมาธิของเขาถ้าเขาต้องไปทําภารกิจอย่างอื่นเขาก็จะปฏิบัติสติเขาก็จะมีสติอยู่กับการกระทำอะไรต่างๆ แต่ก็จะมีโอกาสที่จะหลุดที่จะเผอได้ง่ายกว่าเวลาอยู่คนเดียวแต่ถ้ามันมีความจำเป็นจะต้องไปก็ต้องไปแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นหรือตัดมันได้ก็อย่าไปนักปฏิบัตินักบวชนี่บางทีเดียวมีคนนู้นไม่สบายคนนี้ตายแล้วก็มาบอกให้เราไปเนี่ยข อ, อวงว่านี้ตัดมันได้ตัดไปเลยอย่าไปไปแล้วมันได้ไม่คุ้มเสีย ให้เขาด่านี่กว่าให้เขา ด, าด่าให้เขาเกลียดเราแต่เราแต่เราได้ธรรมะดีกว่าให้เขารักเราให้เขารักเราแล้วเราเสียธรรมะไปจะเอาอยัางไงพออกไปทําภา ร, รกิจต่างๆสติมันก็จะเผลอมันก็จะหลุดมันก็จะถดถอยมันก็เดินถอยหลังแล้วเดี๋ยวเวลากำมาปฏิบัติมันจะไม่มีกําลังใจปฏิบัตินะมันจะท้อขึ้นมา นี่ไม่ดีเดี๋ยวพ่านทําให้ไม่ปฏิบัติเลยก็ได้เี็นต้องพยายามตัดกิด จ, จกรรมอย่างอื่นไปให้หมดเลยอย่างภารกิจของพระที่กิจนิมนต์เนี่ยหลวงตาท่านไม่ให้พระรับเลยเพราะว่ามันได้ไม่คุ้มเสียได้ไปโปรดญาติโยมให้ญาติโยมดีใจมีความสุขใจได้ทาบุญกับพระปฏิบัติแต่พระปฏิบัติกลมาที่วัดเราใจนี้ กำลังเป็นลิงแล้วใจไม่สงบแล้วอาจจะทาให้มันสงบได้อาจจะเสียเวลาปัหลายชั่วโมงหรือหลายวันก่อนจะกลับมาอยู่ตรงที่ก่อนที่จะออกไปข้างนอกดังนันผู้ที่ต้องการปฏิบัตินี้จะต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายให้มากๆอย่าปล่อยให้ไปสัมผัสรับรู้กับลูกเสียงกล็รสต่างๆที่เป็นภัยกับใจ ก็รูปเสียงของคนของบ้านเมืองนี่แหละเป็นที่เป็นพิษเป็นภัยรูปเสียงของปา่าของเขานี่ไม่ค่อยเป็นพิษเป็นภัยเท่าไหร่านั่งตรงนี้ร่มเย็นไหมไม่มีอะไรมากระตุน้นหัวใจให้ไปอยากได้นูน่นอยากได้นี่ไม้เหมือนกับนั่งรถไปในเมืองเดี๋ยวเห็นป้ายโฆษณาเห็นร้านนู่นเห็นร้านนี้ความอยากนต่างโผล่ขึ้นมาแล้ว ฉันวิธีที่จะทำให้เราไม่ท้อแท้ก็คือเราต้องมีวินัยต้องมีความแน่วแน่ต่อการปฏิบัติของเราถึงเวลาก็ต้องนั่งถึงเวลาก็ต้องเดินจะอยากเดินหรือไม่อยากเดินอยากนั่งไม่อยากนั่งก็ต้องทำบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาพอใจเราบางวันก็บางวันก็ท้อแท้บางวันก็ฮึกเหิม บางวันก็คึกคลั่กบางวันก็ห่อเหี่ยวก็อย่าไปสนใจปล่อยมันเหี่ยวไปแล้วก็ทําหน้าที่ของเราไปเดินจโย ม, มไปนั่งสมาธิไปพุโทโธพุโทโธไปคำถามจากคุณสุนีิสวดมนต์ไปด้วยตอนนั่งสมาธิไม่สงบเลยค่ะต้องมองดูลมหายใจไปด้วยต้องทําทั้งสองอย่างพุโทโธและดูลมหายใจไปอย่างนี้ เหมนจิตมีหลายดวงไม่สงบสักทีเราจะทําอย่างไรให้ดีขึ้นคะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งสิเอาล ม, มอย่างเดียวแล้วพุโทโธอย่างเดียวคําถามจากคุณเนตรสวดมนต์เยอะกว่าภาวนาจิตจะนิ่งไหมคะการสวดมนต์ก็เป็นการภาวนาแบบหนึ่งแต่เป็นการภานาการภาวนาแบบหยาบกับการดูลมหายใจเข้าออกในพุโทโธแต่บางครั้งจิตมันหยาบ ก, ก็ต้องใช้การภาวนาแบบหยาบ ก่อมมันไปก่อนให้มันละเอียดก่อนพอมันละเอียดก็คือมันสงบตัวลงแล้วค่อยดูลมหายใจเลือกพุโทโธต่อไปถ้ามันคิดมากก็ให้มันอยู่กับการสวดไปก่อนคาถามจากคุณปักกาศการอธิษฐานจิตถือเป็นความอยากหรือไม่เจ้าคะถ้าถาอธิษฐานที่เหตุก็เป็นเป็นธรรมคือว่าต่อไปนี้จะปฏิบัติธรรมทุกวันอย่างเงี้ยเรียกว่าอธิษฐานที่เหตุ ถ้าอธิษฐานว่าขอให้ได้นิพพานเงนี้ยเรียกว่าเป็นกิเลสเพราะว่ามันขอไงก็ไม่ได้อธิษฐานแบบนี้จนมันตายก็ไม่ได้เพราะนิพพานไม่ได้เกิดจากการขอนิพพานเกิดจากเหตุคือการปฏิบัติเอย่างนั้นเราต้องอธิษฐานที่เหตุว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะปฏิบัติไปจนกว่าจะถึงนิพพานถ้ายังไม่ถึงก็จะไม่หยุดปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าอธิษฐานแบบนี้เหมือนพระพุทธเจ้าเห็นไนั่งที่ใต้โคนไม้ ใต้ใต้นตายโคนต้นโพแล้วบอต่อไปนี้เราจะนั่งภาวนาไปจน ก, กว่าเราจะบรรลุถ้าเรายังไม่บรรลุเราจะไม่รู้จากที่นั่งอันนี้ไปเป็นอันขาดถ้าไม่ได้นั่งว่าถ้าไม่ได้ที่ถามว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ได้บรรลุไม่ได้ขออย่างนั้นขอให้ภาวนาเพราะการภาวนาจะทำให้บรรลุสาสดราที่ยังไม่บรรลุข้าพเจ้าจะภาวนาไปต่อ แม้ร่างกายนี้เลื่อนในร่างกายนี้จะเหือดแห้งไปข้าพเจ้าก็จะไม่หยุดจะไม่หยุดภาวนาะจะหยุดก็ต่อเมื่อได้บรรลุแล้วได้สําเร็จแล้วนี่คือวิธีอธิษฐานที่ถูกต้องต้องอธิษฐานที่เหตุอย่าไปอธิษฐานที่ผลเหมือนว่าขอให้ชาตินี้ร่ำรวยอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งงอมืองอเท้าอย่างเงี้ยมันไม่มีวันร่ํำรวยได้ถ้าอยากจะร่ํารวยขอให้ข้าพเจ้าขยันหาเงิน ขยันเก็บเงินอย่างเงี้ยรวยได้ใช่ไหมไดาบดที่มีรายได้มากกว่ารายจ่ายมันต้องรวยถ้าดาบดที่รายจ่ายมันมากกว่ารายรายได้มันต้องจนมันต้องดูที่เหตุตั้งตั้งอธิษฐานที่เหตุเพราะความความหมายของอธิษฐานจริงๆนี่แปลว่าความตั้งใจถ้าภาษาอังกฤษก็เรียก resolution new year resolution เห็นไหม เวลาปีใหม่ทีนี้ตั้งใจตั้งอธิษฐานกันว่าเอข้าพเจ้าจะเลิกสูบบุหรีนะจะเลิกกินเหล้านะแต่ไม่ได้มองได้ ว, ว่ากี่วันเัน ท, ทุกปีกนทำทุกปีค่ะมันรู้สึกสบายใจว่าปีใหม่แล้วต้องเริ่มชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นนั่นแหละคําว่าอธิษฐานหมายความว่าอย่างงั้นให้เราตั้งเป้าไว้ว่าเราต้องการจะทําอะไรไม่ใช่ตั้งเป้าว่าเราต้องการจะได้อะไร คำถามจากช่างน้อยผมขอถามเรื่องอยากจะบวชแต่เป็นห่วงแม่ที่ชายกินเหล้ากลัวพี่ชายจะดูแลแม่ไม่ได้จะทํำยังไงดีครับก็อย่าบวชเิจะให้ทํำยังไงต้องถามจากคุณสุมาวดีการปฏิบัติที่ว่าสมาธิอบรมปัญญาและปัญญาอบรมสมาธิคืออย่างไรครับคือปัญญา เอาสมาธิอบรมปัญญาก่อนคือตามขั้นตอนของการปฏิบัติเนี่ยปัญญาจะเป็นปัญญาได้ต้องไปสมาธิเป็นผู้ให้การสนับสนุนเพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่เป็นปัญญาที่แท้จริงคือไม่สามารถที่จะไปดับความทุกข์ละความอยากได้อันนี้เขาเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญา ส่วนปัญญาอบรมสมาธิก็คือบางทีเราใช้พุทโธนี่ใช้สวดมนต์ใช้ดูรวมาย ใ, ใจแล้วมันยังไม่หยุดคิดก็เอาความคิดนี้ให้มาคิดในทางปัญญาเช่นคิดว่าตอนนี้เรากำลังยุ่งกับเรื่องอะไรอยู่ยุ่งกับแฟนเหรอมีปัญหากับแฟนแฟนอยากจะเลิกเรายังไม่อยากจะเลิก ทางสมาธิใจก็เลยไม่ยอมสงบสักทีก็เลยพิจารณาด้วยปัญญาแล้วแฟนก็ เ, เป็นอะไรก็ เ, เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเปล่าอนิจจังก็เที่ยงแท้แน่นอนหรือเปล่าอนัตตาเราสั่งก็ได้หรือเปล่าควบคุมก็ได้หรือเปล่าที่เราทุกข์กับเขาเพราะอะไรเพราะเราอยากจะควบคุมเขาใช่ไหมอยากจะให้เขาแน่นอนใช่ไหยอยากจะให้เขาเป็นแฟนกับเราไปตลอดใช่ไหมแต่ตอนนี้เขากําลังอยากจะเลิกกับเราเนี่ยแล้วเราจะทํำยังไง ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับเขาให้ทําไงก็ยอมรับว่าเขาไม่เขาเป็นอันที่จังไม่เที่ยงมาได้ก็ไปได้อนาตตาควบคุมเขาไม่ได้เห็นสรุปก็คือเขาจะไปก็ให้เขาไปเพราะเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้พอเราพอเราพิจารณาแล้วเรายอมรับความจริงอันนี้ว่าอเขาจะไปก็ไปเราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เราก็จะสงบ แล้วก็จะหายทุกข์เราก็จะมานั่งภาวนาได้ต่ออันนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิแต่เป็นสมาธิระดับระดับต้นนีคือระ ง, งับให้หายจากความฟุ้งซ่านจะได้เลิกคิดถึงเรื่องแฟนเสพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเห็นว่าคิดไปก็ก็เสียเวลาเปล่าๆเพราะยังไงก็ไปบังคับเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้แล้วก็อยากจะไปก็ให้เข้าไป พอเราปล่อยเขาแล้วเราใจเราก็จะหายวุ่นวายไปกับเขาแล้วเราก็จะมาดูลมหายใจต่อได้ทำใจให้รวมได้หรือว่าถ้าจะให้ใจรวมจากการใช้ปัญญาก็ได้เช่นไปเจอเสือไปเจอความตายแล้วใจกลัวมากก็ใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายนี้เที่ยงไม่เที่ยงเป็นของเราหรือไม่เป็นของเราถ้ามันได้ไหมเวลามันจะตาย ห้า uh huh, ไม่ได้ตอนนี้มันจะตายให้มันตายพอยอมตายปั๊บใจก็จะรวมทิ้งร่างกายได้อันนี้เรียกปัญญาอบรมสมาธิป้าบางรุปต้องไปอาศัยห้อง น, นั้นถึงจะใช้ปัญญาอบรมสมาธิไปอยู่ในป่าพอได้ยินเสียงเสือคำรามใจเริ่มเต้นนล้วเยใจเริ่มสั่นแล้วตอนนั้นล่ะใช้ปัญญาพิจารณาพอยอมตายได้ปั๊บหายสันย่นไปอันนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ คือทำใจให้สงบด้วยการใช้ปัญญาแต่บางคนเขามีสติดีเขาใช้พุโทโธอย่างเดียวก็อยู่ได้บทีพอได้ยินเสียงเสือคำรังก็พุโทโธพุโทโธไปใจก็เข้าข้างหนไม่รับรู้เรื่องเสียงเสือความกลัวก็หายไปก็ได้แต่ได้แบบสมาธิสู้ได้แบบปัญญาไม่ได้ได้แบบปัญญาแล้วต่อไปมันจะไม่กลัวความตายทุกชนิดไม่ว่าจะมาจากเสือจากโจรจากใครก็ตาม มันโป่งได้แล้วมันยอมปล่อยวางร่างกายได้แล้วมันยอมตายแล้วนี่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิใจที่เครียดใจที่ทุกข์กับความกลัวตายนี้พอเราโปรงว่ามร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเรามันจะต้องตายห้ามันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเครียดแบบตอนนี้ก็ต้องยอมตายพอยอมให้มันตายปั๊บมันก็จะหายเครียดหายทุกข์ทันทีเพราะเราไม่มีความอยากจะให้มันไม่ตายแล้ว ความเครียดความทุกข์นี่เกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่ตายอยากให้อยู่ต่อไปแต่ในสภาพนี้เรารู้ว่ามันจะต้องตายเนียเสือมันเดินใกล้เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะเนี่ยหรือถ้าอยู่บนเครื่องบินเครื่องบินกําลังจะพิมพ์หัวลงลงดินแล้วไม่มีทางอื่นแล้วเนี่ยตอนนั้นอะจะต้องใช้ปัญญาอบรมสมาธิหรือใช้คนใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้พุทโธใช้สวดมนต์กันเน่ยตอนนั้น่ะสวดขยันงันสวดเต็มที่เลยแหละ ไม่รู้จะเพิ่งอะไรแล้วเนี่ยตายมันเครียดมันทุกข์มากอ่ะแต่ถ้าคนใช้ปัญญาก็ใช้ปัญญายิ่งดีใหญ่ต่อไปจะไม่กลัวความตายต่อไปถ้าใช้ส่วนวล น, นี่มันพอมันพอมันหายกลัวแล้วคราวหน้าเจอความกลัวเจอความตายมันก็ต้องส่วนอีกมันจะกลัวอพอมันไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุของความทุกข์ความทุกข์ก็คือความไม่อยากตายอ่า ไปใช้ปัญญาว่าต้องตายยอมตายมันก็จะหายกลัวคำถามจาก u t u b e คอถามจากคุณตุ๊กี้ปัญญาขจัดกิเลสเป็นปัญญาตัวเดียวกับทางโลกหรือเปล่าครับปัญญาทางโลกมันบางทีมันสนับสนุนกิเลสไม่เนะอยากจะซื้อรถก็ปัญญาก็หาวิธีหาเงินมาซื้อรถอย่างนี้อันนี้เรียกปัญญาทางโลกปัญญาที่สนับสนุนกิเลส อยากจะไปเที่ยวก็ต้องหาเงินหาหาวิธีไปทาไงถึงจะได้ไปเที่ยวก็ต้องมีเงินตอนนี้เงินไม่พอก็ไปหาเงินก็ใช้ปัญญาหาเงินอันนี้เรียกปัญญาทางโลกไม่ได้เป็นปัญญาที่จะมาทำลายกิเลสถ้าเป็นปัญญาทำลายกิเลสก็ต้องใช้ว่าการไปเที่ยวนี้ไม่ดีการทำตามความอยากนี่ไม่ดีเพราะจะติดเป็นเหมือนยาเสพติดก็ต้องเที่ยวอยู่เรื่อยต้องหาเงินมาอยู่เรื่อย แล้วเวลาหาไม่ได้ก็จะเครียดจะทุกข์จะจะหงุดหงิดจะเหงาจะว้าวเวถ้าไม่อยากจะให้จิตเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปทําตามความอยากอย่าไปเที่ยวเลิกเที่ยวเสพฝืนมานั่งสมาธิแทนมาทําใจให้สงบแทนความหงุดหงิดนั่นก็จะหายไปการนี้ก็เป็นวิธีใช้ปัญญาแก้อันนี้เรียกปัญญาทางธรรมปัญญาทางโลกก็ไปรับใช้กิเลส ปัญญาทางทางก็มาค่ากิเลสไม่ไปรับใช้มันคำ ถ, ถามเป็นภษาอ uh, uh. าถามจากคุณโทนี่ Dear อาจารย์ Can you please explain some of your teaching on mindfulness Mindfulness i l s fulness. Fulness is the way to control your mind to collect your mind to be in one One place, not running around all over the place. Yeah. Normally, your mind, when you have no mindfulness, your mind will think about the future, think about the past, think about that person or this person, think about money, think about uh, going on a holiday, think about everything. And when you think, you have no peace, no happiness, no mental happiness. If you want to have mental happiness, you want to have peace of mind. You have to stop your thinking, and in order to stop thinking, you need mindfulness. Mindfulness is for you to be mindful of one thing. You can use anything as your object of mindfulness. In in Thai Buddhism, we like to use the word, the name of the Buddha. We we collect recite the name of the Buddha, Buto t Buto t Buto. t When we recite just the name of the Buddha, we, then we cannot go think about other thing. Then we can stop the mind from thinking, and when the mind stop thinking, we will have peace and happiness. So this is the the reason for having mindfulness. But besides using the mantra Buto Buto, you can use other thing to h a v e mindful. You can watch your body all the time, from the time you get up to the time you go to sleep. Keep watching your body, focusing your attention on your body, on whatever the body is doing at the time. If you're walking, just just watch your walking. If you're sitting, if you're stand standing, if you're lying down, just watch. Just know that you are doing these things. If you're eating, just be with the eating. If you are Working on something, be with whatever you're doing. This is a way of uh, generating mindfulness. Once you have mindfulness, then you can stop your mind from thinking, wandering, thinking about everything. Thinking is not good. Thinking aimlessly is not good. If you want to think, you have to think in a way that will make your mind peaceful and. Happy. If you don't know how to do that, you have to first use mindfulness to stop your thinking first. Once you know how to stop your thinking, then you can then direct your mind to think in the way that will make you feel good. The Buddha said the way to feel good is to think that everything doesn't belong to you. Everything that you have one day will will be will be somebody else's. You will lose everything that you have. So if you're not attached to everything because you know that everything will one day uh, separate from you, then you will not be sad when you lose everything. So this is the next step. Beside s having mindfulness, you have to have wisdom to think in the, the way that is according to the truth. The truth is everything doesn't belong to you. Whatever you have is only your temporary possession. One day, sooner or later, you will have to lose them. So if you already prepare to to lose them, when you lose them, you will not feel sad. คำถามจากคุณเจผมนั่งใจไม่นิ่งเพราะกายไม่นิ่งเหมือนที่คระอาจารย์บอกเลยครับเพราะปวดหลังต้องคอยยืดตัวตลอดเพราะหลังงอลงจะแก้ไขอย่างไรดีครับอไม่ต้องกังวลมันยังงอ ก, ก็ปล่อยมันงอไปเวลานั่งสมาธิ ตอนต้นเราก็ตั้งท่าให้ดีก็แล้วกันนั่งให้มันตรงเท่าที่สุดเท่าที่เราจะนั่งได้แต่อย่าไปเกรงนะอย่าไปเกรงนั่งให้สบายถ้าเราไม่เคยนั่งนั่งนั่งตัวตรงแล้วไปเกรงไปบังคับมันมันก็จะทำให้เราไม่มีเวลามาควบคุมใจมัวแต่ไปควบคุมร่างกายแค่น่่งกายเราไม่ต้องควบคุมพอเรานั่งแล้วเราก็ปล่อยมันอย่าไปสนใจให้มาควบคุมใจนะ ให้มันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธให้มันมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกส่วนนั่งกายมันจะงอหรือจะไม่งอก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันไม่เป็นปัญหาคำถาจาก YouTube นะครับทีนเดชนะที่อาจารย์ I am sure from สีลังกา and have been following many อาจารย์ from internet and would like to come to you for more development could you please Tell me the way how we can meet you. Oh, you can come to the temple, Wat Yan Sangwalaram, or you can go into my website, p r a s u c h a t c o m and there is a place where you can leave a message, and then we can reply to you by email, and tell you all the necessary information. Just go into p r a s u c h a t c o m And that is a a place where you can leave the message. Then this message will then be be be received by by by our team, and then they will then give you the prop the necessary information for you to come to the temple. คามสุดท้ายจากคุณสุิสาหประสบอุบัติเหตุจักรยานล้ม มากระแทกฟันหักใบหน้ามีแผลเจ็บประสาทฟันอย่างมากขณะเหตุเกิดหนูรู้สึกเจ็บที่แผลแต่ที่ใจมันกลับคิดว่าสังขารมันไม่เที่ยงฟันไม่เคยฟันมันเคยเรียงสวยงามแบบนี้มันหักเจ็บแต่ไม่ทุกข์กับใบหน้าและฟันที่หักอย่างนี้เรียกว่าใช้ปัญญาในความคิดหรือว่าใช้สติระงับเหตุที่เกิดหรือเปล่าคะตอ น, นี้เรียกว่าใช้ปัญญายอมรับความจริงว่าร่างกายไม่เที่ยงแท้แน่นอน ร่างกายมีเจริญมีเสื่อมได้มีการเปลี่ยนแปลงได้เวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเรายอมรับได้เราก็จะไม่เกิดความอยากเกิด ค, ความอยากไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงอยากจะสวยเหมือนเดิมอย่างี้พอเราไม่มีความอยากเราก็ไม่ทุกข์กว่มันอันนี้ก็เรียกว่าปัญญาอันนี้จะรู้ว่าเป็นปัญญาไม่เป็นปัญญาก็ตอนที่เกิดเหตุการณ์จริงๆขึ้นมามันถึงจะ แฟนบอกบายๆก็ร้องห่มน้องไห้้ก็แสดงว่าไม่เป็นปัญญาถ้าพอแฟนบอกบายๆยิ้มสบายโอเค no problem <laughs> อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาเอ mm hmm. พอเห็นว่าไม่เที่ยงทุกอย่างมีวันจบใช่ไหมมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่เฉพาะแต่ร่างกายทุกเหตุการณ์เหมือนกันทุกความสัมพันธ์ก็เหมือนกัน เหมือนที่เนี่มีการเกิดขึ้นเดี๋ยวก็มีการดับไปเดี๋ยวสี่โมงเราก็บายบายกันเออันนี้ก็การเห็นอนิจจ์ไงเห็นอนิจจ์แล้วก็ยอมรับความจริงยอมรับอนิจจ์ไม่ฝืนไม่ไปอยากให้มันเป็นนิจจาพวกเราชอบให้มันเป็นนิจจาพอมีอะไรดีแล้วอยากจะให้มันดีไปเรื่อยๆอยู่กันไปนานๆรักกันไปนานๆ forever อย่างเงี้ยพอมันไม่เป็น forever ก็ร้องห่มร้องไห้กัน เพราะไม่มีอะไร forever ทุกอย่างมันชั่วคราวหมดแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพนิย์พจณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ